ทางนั้ทางทางกเวงก้าเขาก็ใช้หลักของสติปัญสี่คือให้มีสติรู้อยู่กับกายไม่ธนาจิตไม่ทำอันนี้ไม่ทราบราลยละเอียดแต่รู้ว่าช่องมีความมีกสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของธรรมทั้งสี้กายก็ดีไม่ธนาก็ดีจิตก็ดี้ม่ทำ ธรรมก็คือการพิจารณาธรรมในแง่ต่างๆพิจารณาฐานห้าว่าเป็นอริยังค์ทุกขังอนัตตาเนี้ก็เรียกว่ามีสติอยู่กับธรรมถ้าดูการเคลื่อนไวหวของร่างกายเวลาเดินยืนนั่งนอนก็ให้มีสติอยู่กับอาการเห่านั้นไม่ได้ส่งจิตไปที่ อ, ยยอกกื่นส่วนใหญ่เราจะทําสองอย่างควบคู่กันไปเราจะรุก เราก็เพียจะคิดเรื่องจะลุกแล้วเราก็คิดเรื่องอื่นต่อไปในขณะที่เรากำลังลุกําลังเดินแล้วก็รู้ว่าเรากำลังเดินแต่ในขณะเดียวกันเราก็คิดถึงเรื่องอื่นไปด้วยอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นสติปัฏฐานถ้าสติปัฏฐานเราต้องอยู่กับการยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างเดียวถ้ารู้อยู่ตรงนั้น หรือถ้าจะคิดก็ให้คิดเรื่องของร่างกายนร่างกายที่กําลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกำลังนอนนี้มีอะไรมีอาการอะไรบ้างบางท่านพิจารณาดูว่ามีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกมีอาการ32ส่วนด้วยกันพิจารณาไปเรื่อยๆให้จิตท่องเที่ยวอยู่ในกาย ถ้าอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาด้วยแล้วก็มีสติด้วยการปฏิบัติถ้าไม่มีสติมันจะไม่ได้ผลเห็นเวลาจะทำจิตให้ส น, ก, นกกําหนดจิตให้อยู่กับพุโทโธก็ดีไม่อยู่กับบทสวดมนก็ดีอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ดีจะอยู่ได้ไม่นานอยู่ได้เพียงแปบับเดียวแล้วก็จะเผลอไปคิดเรื่องต่างๆ แล้วก็ไม่รู้สึกตัวว่าว่ากำลังเผอก็ยังคิดว่าอยู่กับยมหายใจอยู่กับการภาวนาอยู่แต่ความจริงนั่งคิดไปเ ร, รื่อยๆนั่งไปงานเท่าไหร่ก็ไม่รมู้ไม่เห็นผลไม่ไม่เกิดผลด้วความสงบของจิตแต่ถ้ามีสติแล้วมันจะไม่ค่อยไปไหนถึงแม้จะไปก็จะรู้ว่ามันไปแล้วก็เด็นมันกลับมาได้ เวลาอยู่กับลมก็รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกไปพอจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็บอกอ่ะตายแล้วนะกลับมาทำมาที่ลมหลอกล้วการดูลมต่อไปถ้าบ่อยการพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปหรือจะท่องดูอาการสามิสองของร่างกายก็ได้แทนพุโทโธก็ได้แทนที่เราจะท่องพุโทโธพุโทโธ เราก็เท่ากอาผมขนเล็บันหนังเนื้อเอ็นกระดูเเกเลื่อนในกระดูกเข้าไปเรื่อยๆจนครบอาการ32แล้วก็ถ้าทํางานก็เอ่อเทาะถอย ถ, อ, ถ, อ, ถอยออกมาก็ได้พิจารณาเข้าไปแล้วก็พิจารณาออกมาแล้วท่องถอยหลังถ้าไม่ได้ก็เอาแต่เอาแต่ข้างหน้า เข้าไปก็ได้เหผลและสังเข้าไปแต่ท่านสอนให้ทําทั้งิอนุโลมและปฏิโลมอนุโลมก็คือพิจารณาเข้าไปแล้วปฏิโลมก็ให้พิจาราย้อนออกมาในบรรดาการทั้งสามที่สองนั้นในเริ่มต้นเพียงแต่ทําให้ให้ให้ให้ขึ้นใจไปก่อนก ไ, ไ้ไม่ต้องไปกําหนดดูรูปลักษณะว่าเป็นอย่างไร เองให้ใจอยู่กับอาการทั้ง312เลยเพื่อจะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นที่จะทําให้เกิดความเคร่องซ่ากขึ้นมาถ้าใจอยู่กับอาการ3 1ของร่างกายนี้แนละ้วหรืออยู่กับคิทโท้หรืออยู่กับลมหายใจอย่างต่อเ น, นื่องมันจะค่อยๆสงบเข้าไปแต่ความสงบของแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนก็ค่อยๆสงบบางคนก็วุ้บลงไป มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตมีสติอย่างต่อเนื่องอยู่กับงานที่เราให้จิตทําท่านั้นแล้มันจะรู้สึกว่าการภาวนาน h i s ไม่ยากเลย<อ>เคล็ับมันอยู่ตรงตัวสติตัวนี้ตัวเดียวพระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าสติในบรรดาธรรมทั้งหลายสตินี้เปรียบเหมือนกับรอยทาช้างมีความยิ่งใหญ่กว่าธรรมทั้ง ทำอย่างอื่นทั้งหมดท่านเปลีนว่ารอยเท้าช้างนี่ครอบรอยเท้าของสัตว์เองทุกชนิดเลยเพราะช้านี่เป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายธรรมะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นก็ที่สตินี่เป็นเป็นเป็นตัวที่สําคัญที่สุดถึงสอนให้เจริญสติอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าไปไปที่สำนักไหนไปฟังที่ครูบาอาจารย์ที่ไหนที่เป็นสำนักปฏิบัติก็จะต้องเน้นเรื่องการเจริญสติเสมอที่ท่านสอนว่าพุโทธโธพุทโธนี่ก็เรียกว่าพุธทธานุสติการระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าให้สวดมนต์นี่ก็เป็นธรรมานุสติเพราะบทสวดมนต์ก็เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า เมื่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์ถึกคิด้ะลึถึงประวัติอันงีงามของท่านระลึกถึงแต่ระลึกถึงหน้าท่านก็เป็นสังขารในสติขึ้นมาเวลเราระลึกถึงท่านก็ได้หลายอย่างจิตก็สงบแล้วก็มีความเลื่อมใสเหลื่นชื่นศรัทธาเหลื่นชืเหลื่นชื่นความเพียร เห็นท่านปฏิบัติมาแล้วเห็นท่านได้ได้บรรลุได้สาเร็จก็ทำให้เรามีกำลังจิตกำลังใจรู้ว่างานที่เรากำลังทำอยู่นี้ไม่ร้ายเหตุร้ายผลทำไปแล้วไม่ช้าก็เลยสักวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นเหมือนท่านอย่างแน่นอนเพราะตัวท่านเองก่<ม>อนที่ท่านจะเป็นอย่างที่ท่านเป็นอยู่ท่านก็เป็นเหมือนเรา ท่านเดียวกันท่านก็ไม่รู้ภาษาอิสระไม่มีสติไม่มีก ร, ระตังแต่พอท่านได้ทบกับสุบาจาร์ต่างๆได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมเอาไปปฏิบัติท่านก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเย็นในที่สุดก็เป็นอย่างที่เราเห็นกันอยู่ เป็นสารณะขึ้นมาเป็นสังฆลตนะเป็นที่เพื่อให้พวกเราได้กราบไหวได้ยินได้ฟังเทศฟังธรรมของท่านได้ยึดท่านเป็นแบบเป็นฉบับได้ท่านเป็นกำลังจิตกำลังใจเพาโดยปกติคนเราถ้าไม่มีคนที่ดีที่เก่งเป็นหัวหน้าแล้วเราจะรู้สึกว่าเราว้าเหวเราไม่น่ใจ ในตัวเราเองเราจะไม่มีความกล้าหาญไม่มีความขยันมันเพียรที่จะปฏิบัติเราไม่รู้ว่าปฏิบัติไปแล้วมันจะได้อะไรหรือไม่แต่ถ้าเรามีคนอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านได้่านมาแล้วแล้วท่านเอาสิ่งต่างๆที่ท่านได้สะสบ ทั้งด้านเหตุและด้านผลเหตุก็คือการปฏิบัติแบบไม่ท้อถอยด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนด้วยความกล้าหาญแล้วก็ผลที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจที่ทำให้มีความร่วมเย็ยนเป็นสุขมีความปลอดจากความทุกข์ความหุนวาวใจต่างๆก็จะทำให้เรา มีกำลังจิตกำลังใจมีศรัทธามีความเชื่อมีมีฉันทะความยินดีที่จะต่อสู้กับความทุกข์ความยากความลาบ า, ากต่างๆที่จะเกิดขึ้นในขณะที่ปฏิบัติเพราะยกตัวอย่างอาจจะมาตอนที่ไม่ได้ไปพบกับครูบาอาจารย์ปฏิบัติเองก็ ปฏิบัติไปแบบพอไปได้แต่ไม่ไ ม, ไม่เข้มข้อนอะไรก็พเพยงฉันอาหารวันละนึง้ค่นั้นเองแต่พอไปที่วัดป่ามันตาดไปเห็นพระท่านสฎอาหารกันทีละห้าวันเจ็ดวันทีละสิบห้าวันมันก็ทำให้เราเกิดมีกำลังใจแล้วก็มีตัวอย่างที่ดี คือเราไม่รู้ว่าการออกอาหัวหนานี้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติในการภาวนาแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ลองทดลองดูแล้วมาทดลองแล้วก็เห็นคุณค่าของมันก็อาศัยการกัดอาหารนี้เป็นเป็นเหมือนกับเครื่องช่วยช่วยฉุดช่วยดินช่วยฝักช่วยดันให้การภาวน า, าของเราเข้มข้น และปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่อพราะเวลาที่โดอาหารนี้จะมาทําสบายสาๆเฉยๆไม่ได้เพราะท้องท้องมันร้องอยู่ตลอดเวลาทุกเวทนามันปรากฏขึ้นมาแต่ทุกเวทนาที่มันหนักไม่ได้อยู่ที่กายเวทนาคือความขานอาหารแต่อยู่ที่จิตที่ปรุงแต่งคิดแต่เรื่องอาหารตรงนั้นมันทอยมัน ใจมากแต่ถ้าเรารู้ว่าวิธีจะดับความทรมานใจนี้ก็คือภาวนาต้องมีสติให้อยู่กับกายก็ดีอยู่กับพุทโธก็ดีอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็ดีหรืออยู่กับการเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่งเช่นการพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารก็ช่วยได้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 ซึ่งมันเป็นพื้นๆของมันมันไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนกับเป็นค้อนที่พลอยกระ ท, ทุกจิตใจของเราเหมือนกับความคิดปรุงเวลาที่ผิวแล้วปรุงคิดถึงอาหารมั น, มนทรมานจิตใจเหมือนกับเอาค้อนมาทุกตีก็เลยเห็นคุณค่าตรงที่ว่ามันทําให้เราต้องทําความเพียรต้องนั่งสมาธิ คามจิสมาธิก็เดินโยงคมต่อคือไม่ให้ใจมีเวลาว่างไปคิดเรื่องอาหารเลย mm hmm. เวลานั่งไปพอจิสมมตสงบความหิวมันก็หายไปเพราะจิตไม่ได้มีไม่ได้คิดมมตรงเรื่องอาหาร mm hmm. แต่พอระยะหนึ่งความสงบนั้นค่อยางไปความคิดมมตรงก็เข้ามาต่อถ้าเราไม่ควบคุม ไม่เอามาพิจารณาทางด้านธรรมะเดี๋ยวมันก็จะวัดไปคิดถึงอาหารหก็จะเกี่ทางหิวขึ้ไนไปก็ต้องภาวนาอเพราะมันถ้าาปล่อยไว้แนละ้วมันทรมานมันทุกข์มากก็ปล่อยไว้ไม่ได้จึงเป็นเหตุให้เราได้ภาวนาอย่างอย่างต่อเนื่องแล้ว เ, เห็นเห็นความแตกต่างระหว่างการเวลาอดกับเวลาที่ไม่อด ว, วันไหนที่วันไหนที่หลังจาก อดอาหารแล้วก็กลับไปฉันเพราะวันนั้นฉันเสร็จแล้วไม่ได้คิดถึงอะไรคิดถึงหมอนตอนจำเราเก็ติไม่ได้ภาวานาภาวานาก็หลับนั่งภาวานามันก็จะหลับเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วมันจะง่วงเหงาเหงาหนอนเป็นธรรมดาถ้าจะภาวานาก็ต้องเดินจงกรมแข่งไม่นั่งไม่ได้นั่งแล้วต้องหลับ ท, ทันทีแล้วมันจะไม่ค่อยมีตัวคอยกระตุ้น ือมันไม่มีความทุกข์ทางด้านจิตใจเพาะได้รับอาหารพอเพียงแล้วจิตมันก็ไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอาหารมันก็ไม่มีความทุกทางด้านจิตใจมันก็เลยไม่ได้มีตัวมากระตุ้นให้เรามาคอยภาวนาคอยคอยดับความทุกข์ใจที่เกิดจากความคิดปรงุงพอไม่ได้ทานั้งสองพอกลับมาทานทั้งสองคำวันล้วก็เห็นว่าไม่ได้ทาง ไม่ไม่ขยับไม่ภาวนาถ้าที่ควรก็ต้องกลับไปอดอีกให้หลับกันไปอย่อยางเนี้ยดอดอ ด, อดสามวานันห้าวานันแล้วก็กลับมาฉันสองสามวานันน่ากลับไปอดใหม่ให้หลับกันไปแต่ละองค์ท่านก็มีมีการอดที่ไม่เหมือนกันบางทัานนี้ท่านจะถือเป็นเหมือนกับเป็นธรรมเนียม พอข้าพันศาคก็มีท่านจะต้องอดสามสิบวันแต่ท่านก็ไม่ได้อดแบบว่าไม่มีอะไรฉันเลยบ่ายๆท่านก็มีพวกน้ำปานปะนาฉันอยู่น้ำพึ่งน้ำอ้อยอะไรอย่างนี้หรือถ้าในตอนเช้าบางทีก็มีพระที่ท่านไ่ยนินตบากลับมาท่านก็เก็บพวกนมกล่องมาฝาก ก็พอฉันได้ถ้าฉันก่อนก่อนเทนแล้วก็ฉันครั้งเดียวก็ยังถือว่าไม่ไม่ไม่ผิดแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยของครูบาอาจารย์ท่านว่าท่านไม่มีของพวกนี้เลยก็าะท่านอยู่ในป่าพระอดก็อ ด, อดจริงจริงมีแต่น้ำอย่างเดียวหรือใบไๆก็อาจจะมีน้ำปานะฉันบ้างแต่ถ้าไปอยู่องค์เดียวก็คงจะไม่มี ถ้าไปที่โด่งอยู่องเดียวก็มีแต่หน้ำอย่างเดียวแต่ถ้าอยู่ในสำนักกับฟราจาร์สมัยก่อนมันไม่มีความพร้อมเพียงเหมือนสมัยนี้ท่านบอกว่าแม้แต่ภาพของโอวันตินโกโ ก, โ ก, โก้นมยังไม่มีให้ดูเลยแล้วจะมีของที้งมาให้ดื่มได้ไหท่าน <c oughs> สมัยประมาณสงครามโลกครั้งที่สอง นั้นมันก็อยู่ที่การเจริญสติเป็นหลักการภาวนาการเจริญสติจะนำไปสู่การความสงบแล้วก็นำไปสู่การเจริญปัญญาต่อไปขึ้นอยู่กับกรรมฐานที่เราใช้ถ้าเราใช้พุทโธพุทโธไปนี่จะเป็นกรรมฐานเพื่อความสงบจะได้จิตสงบแต่จะไม่ได้ปัญญา แต่ถ้าเราจเจริญกรรมาฐานด้วยการพิจารณาอาการ32 ก, ก, ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาจะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายที่มีซ่อนอยู่ ที่มีอยู่ซ่อนซ่อนอยู่ภายใต้ผิวนังส่วนใหส่วนใหญ่เราจะเห็นเพียงแต่อาการห้าส่วนคือผมขนและฟันหนังล้วก็ไม่ได้เห็นแบบกรรมฐานเห็นเราเห็นแบบความหลงเห็นเห็นว่าเห็นว่าสวยว่างามแต่ถ้าพิจารณาแต่ละชิ้นแต่ละส่วนเช่นพิจารณาผมก็เห็นว่า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 ไม่มีผมลงเนื้ออยแลเราก็จะเห็นควา ม, มน่าเกลียของของขนของผมหนังก็เช่นเดียวกันพิจารณาดูก็จะเห็นว่ามันเป็นแผ่นบางๆที่มันคุมปกคุมเนื้อหนังไว้ถ้าหนังมันถ้าลอกหนังออกมาแล้วจะคอรังนี้จะน่หน้าดู น, นี่คือการพิจารณาแบบ กรรมฐาก็จะเห็นสิ่งที่มันไม่สวยงามที่มันก่องเน้นอยู่การพิจารณาร่างกายก็พิจารณาได้หลายลักษณะนี้นัอาการสามสิบสองที่ว่าก็เป็นลักษณะนีน้หรือถ้ายังไม่ถึงขั้นที่จะพิจารณาอาการสามสสองก็พิจารณาถึงสาภาพของการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ก, ายก็ได้ พิจารณาว่าวันวันหนึ่งเราก็แก่ลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกเวลาทุกขณะร่างกายนี้ก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆถ้าเราดูภาพของเราเมื่อภาพปีก่อนกับวันนี้เราก็จะเห็นความแตกต่างว่าเราแก่ลงไปจริงๆแต่มันไม่ได้แก่แบบทันทีทันใดมันก็ค่อยๆแก่มันก็ค่อยๆ ข, ข, ขยับไปเรื่อยๆเราก็ต้องพิจารณาไปอย่างนี้ พิจารณาไปว่าตังวันหนึ่งเราก็ต้องอายุหกสิบเจ็ดสิบแปสิบเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยมีโรคภัยเดียดเดียนแล้วในที่ถดเราก็จะต้องอย่ดหายใจร่างกายก็เป็นซากตดไปพิจารณานี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตก็ได้ปล่อยวางได้จะได้ไม่หลองยึดติด ก, กับร่างกาย การปล่อยวางก็คือการยอมรับความจริงนั่นเองยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเวลาที่เรารับความจริงกับอะไรได้แล้วความจริงนั้นจะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราถ้าเรารู้ว่ามีคนเขาจะมา่วงหนี้แล้วเราต้องใช้เขาเราก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้เขา เวลาเข้ามาเอาไปเราก็ให้เขาไปเราก็ไม่ได้เสียใจเสียเสียดายอเพราะเรารู้ว่าถ้าเราให้เขาเพราะอาจจะฆ่าเราก็ได้เราก็ยอมเสียเสียส่วนน้อยเพื่อรักษาส่วนใหญ่ไว้คือคนเราถ้ายอมทุกอย่างแล้วยอมรับความจริงท้กอย่างแล้วไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นจะไม่เสียดายจะไม่เสียใจจะไม่ทุกข์ใจ ก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแล้วถ้ารู้ว่าจะต้องถูกเขาไล่ออกจากงานาก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนพอ ถ, ถึงวันที่เขาให้ออกเราก็ไม่เดือดร้อนอะเพราะยังไงๆเราก็รู้ว่าเขาไม่ให้เราอยู่แน่นอนไปร้องห่มร้องไห้ไปเสีย อ, อกเสียใจก็ไม่ได้เปลี่ยนความความจรินงนั้นได้ ใจใจเมื่อยอมรับความจริงแล้วจะจะรู้สึกเฉยเฉยจะยอมรับได้ก็ต่อเมื่อเราคิดไว้ล่วงหน้าก่อนนะพิจารณาว่าเรื่อยๆพิจารณาดูแล้วก็รู้ว่ามันไม่มีทางอื่นมันต้องเป็นทางนี้ผู้ตามความจริงแล้วใจมันไม่ได้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 เงินลดก็ลดทันเดียวกันเงินทองก็เงินทองเหมือนกันมันก็เป็นเพียงกระดาษเงินทองเป็นกระดาษถ้าเราไม่เอาไปซื้อข้าวซื้อของเอาไปใชม้มันมันก็เป็นกระดาษถ้าเราเสียกระดาษไปเราจ ะ, ะเสียเสียดายเลยถ้าเราไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆไม่อาศาัยสิ่งต่างๆ ให้ความสุขกับเราถ้าเรามีความสุขในตัวเราแล้วเช่นถ้าเรามีความสงกในจิตแล้วเงินทองต่างๆสิงของต่างๆนั้นไม่มีความ อ, าอะไรมีก็ได้ไม่มีก็ได้การไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะให้ความสุขกับจิตเพราะมันไม่ได้สุขเท่าที่ควรมันทุกข์มากกว่าสุขเพราะถ้าเราเพิ่องอาศัยสิ่ง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 ไปซื้อของอะไรก็ซื้อไม่ได้ละมันก็จะทุกใจแต่ถ้าเราไม่ได้อาศัยเงินทองไว้ซื้อของซื้ออะไรที่มันไม่จําเป็นไม่มีมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ได้ไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่อีกจุดหนึ่งก็ไม่เดือดร้อนอะไรซื้อรองเท้าใหม่อีกคู่หนึ่งก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะของเก่าก็มีเหลือเกลืออยู่แล้วเหลือใช้อยู่แล้ว ปัญหาก็คือจิตของเราไม่สงบนั่นเองเมื่อจิตไม่สงบมันก็ปล่อยให้ความหลงออกทำงานความหลงก็จะคิดว่าสิ่ง น, นั้นดีสิ่ง น, นี้นดีน่าจะหามาไว้ให้ความสุขกับเรา <c oughs> ก็เกิดความอยากขึ้นมาเกิดความอยากก็อยู่เฉยๆไม่ได้ก็ต้องไปหาหาก็ต้องหาเงินหาทอ ง, <c oughs> <c oughs> องต้องซุง่มซาเงินทอง ไว้ซื้อความสุขแทนที่จะอาศัยธรรมะคือสติเป็นเครื่องหาหาความสุขให้กับเราเราก็ไปคลึงสิ่งภายนอกที่มันไม่แน่นอนเงินทองมันเป็นของไม่แน่นอนจะได้มาก็แสนจะรำบากได้มาแล้วก็อยู่เดียวเดียวก็หมดไปแล้วพอใช้แป๊เดียวมันก็หมด โั่หาความสุขที่เกิดจากการเจริญสติไม่ได้เพราะสตินี้เราสามารถเจริญได้ตลอดเวลาไม่ต้องซื้อสติเงินเ <c oughs> ราจะซื้อไม่ได้ด้วยมีเงินกันหมื่นล้านแสนล้านก็ซื้อสติไม่ได้ธรรมะนี้ให้ความเสนอภาคกับคนทุกคนไม่ว่ารวยหรือจนรวยก็ ปฏิบัติได้จนก็ปฏิบัติได้แต่เอาเงินมาซื้อสติไม่ได้ซื้อสมาธิไม่ได้ซื้อปัญญาไม่ได้ที่คนรวยทำงานทาบุญคือให้ทานมากกว่าเราได้นั่นเป็นเพราะว่าเขาต้องให้มากกว่าเพราะเขามีมากกว่าเพราะถ้าเขาไม่ให้เขาไม่สละเขาก็จะทุกข์กับเงินทองกอนการทําบุญให้ทานนั้นเป็นอุบายเพื่อปล่อยวาง ท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าให้ไปหาเงินทองมาเยอะๆเพื่อมาทำบุญถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปหาทำเท่าที่เรามีเพราะมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นในการปฏิบัติเป็นการคล้ายๆปลดเปลื้องให้เราได้ก้าวผ่านเงินทองนี้ไปถ้าเราไม่ให้เราก็จะมีแต่ความกังวล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 อา น, นิสงส์ของศีลนี่สูงกว่าทานทานทำให้เรามีเงินมีทองมีความสุขความสบาย<ะ>เวลาที่เราไปเกิดในภพต่อไปจะไม่อดอยากขาดแคลนแต่ทานนี้ไม่สามารถส่งให้เราไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพหรือเป็นอะไรได้ถ้าเราไม่รักษาศีลถ้าทำบุญทำทานแล้วแต่ทำผิดศินผิดธรรม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 เหมือนเป็นลูกบางคนชอบมีเงินแต่ไม่มีลูกก็เลยซื้อหมามาเป็นลูกแทน เ, เลี้ยงหมาเหมือนก็เลี้ยงลูกหมาตัวนั้นก็เคยทําทานมาเยอะแต่ไม่ได้รักษาศีลก็เลยได้เกิดเป็นหมาที่สวยงามแต่คนที่รักษาศีลถึงแม้จะไม่ได้ทําทานเลย หรือทำตาทําเท่าที่ตามมีตามเกิดเขาก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทศเป็นพรต่อไปได้เกิดต้องมีศีลเป็นเป็นตัวผ่าไปที่เลนะสุขติญญาติในท้ายศีลเวลาที่พระท่านให้เราขอศีเลเสร็จแล้วท่านบอกที่เลนะสุขติญญนติศีลเป็นเหตุที่พาให้ไปสู่สุขติ กุติก็พบของมนุษย์ของเทพของพรมของพระอริยบุคคลเป็นเป็นเป็นตัดใจเรื่องต้นแต่ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดเถ้าจะไปสูงกว่าเป็นมนุษย์นี้กว่าเทพจะต้องมีสมาธิถ้าจะไปเป็นพรมนี้จิตจะต้องมีมีสมาธิแล้วถ้าจะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลก็จะต้องมีวิปัสสนา ก็มีดวงตาเห็นธรรมเห็นในใจลักเห็นในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ปล่อยวางได้เช่นที่เราพิจารณาร่างกายเห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีการแก่การเกิดการเจสืาจ่ามตายเห็นว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าเห็นชัดเจนอย่างไม่มีอะไรสงสัยในจิตใจแล้วจิต ก, ก็จะปล่อยร่างกาย จะเห็นร่างกายเป็นเหมือนกับขวดน้ำแก้วน้ำเห็นเป็นเหมือนวัตถุชิ้นหนึ่ง่าไม่ยึดติดว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราอย่าไม่ได้อยากจะให้มันอยู่ไปตลอดหรือว่ามันสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมต้องเสียต้องตายไปแต่เมื่อปล่อยวางแล้วมันก็จะไม่ทุกข์นี่คือการเจริญวิปัสสนา เพื่อที่จะได้ปล่วางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเป็นตวนต ว, ว่าเป็นเราเป็นของเรานี่คือคือเป็นธรรมะขั้นสูงขึ้นไปจากศีลก็ต้องเข้าสู่สมาธิจากสมาธิก็เข้าสู่ปัจจนาเข้าสู่ปัญญาเพื่อไปสู่การหลุดพ้นหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่เกิดจากการยึดติดยู่กับสิ่งต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลเก็บเรื่อนกับการทําทานให้มากเกินไปบางคนมาบ่นให้ฟังว่าเวลาไปกราบหลวงตาเห็นคนเขาถวายทองกันเยอะแยะไม่หมดแต่ตัวเองไม่มีปัญญาที่จะซื้อทองถวายก็น้อย อ, อกน้อยใจ บอไม่ต้องหรอกมันทําไปตามฐานะของเราถ้าเรามีเราก็ทําไปถ้าเราไม่มีเราก็มีบุญที่สูงกว่า น, นั้นที่ดีกว่า น, นั้นอเองแต่รักษาศีลเขาบอกว่ารักษาศีลไม่ได้เพราะเขาพยายามจะไปทําเงินพังเงินมาทําบุญเนี่ย <c oughs> นี่แสดงว่าติดอยในการให้ทาง <c oughs> ก็เลยไม่สามารถก้าวขึ้นสูง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 เป็นลูกชาวนาชาวไร่ไม่มีเงินไม่มีทองเหมือนพวกเราท่านถึงออกบวชกันได้ง่ายปฏิบัติกันได้ง่ายพอเราเกิดมาบนกองสมบัติของเงินทองกันสุขสบายกันพอจะไปอยู่ถือถินแปะก็อยู่ไม่ไหวอิูไม่ได้ไม่มีห้องแอร์ไม่มีอาหารเย็นรับประทานไม่มีฟูกนอนก็เลยติดอยู่กับ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 เราชอบไม่ทานกันแต่เราก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้ไปถึงไหนกี่พบกี่ชาติเจอพระพุทธเจ้ากี่องค์ก็ทำแบบนี้ไปเนื่ยเจอครูบาอาจารย์กี่องค์ <c oughs> าางก็ทำบุญกับท่านไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าไป <c oughs> ไม่ขยับขึ้นไปสู่การรักษาศีลไม่สู่การภาวนาไม่ดูท่านเป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่าน ทั้งภาวนาการทั้งมีศีลกันเรากลับไม่คิดอย่างนั้นเราคิดเพียงแต่ว่าอยากจะ ท, ทําบุญทําทานนะท่านพราะได้บุญนเนี้ยคิดแค่นั้นเองดังนั้นการทําบุญให้ทางเป็นการปลดเรื่องเงินทองที่มันเหลือเกินความจําเป็นเพื่อให้เราไม่ไปยึดไ ป, ปติดกับมันเราจะได้ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องวุ่นวายใจไม่ต้องเสียอกเสียใจ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 ก็เป็นการทำบุญทำทานไปดีไม่ต้องเสียเวลาไปวัดมีคนมารับบริจาคที่ <c oughs> บ้านเราเลยเพราะเราก็ไม่ได้อาศัยเราก็ไม่ได้อาศัยเงินก้อนนั้นอยู่แล้วงั้นก็อย่าไปกังวลนะเรื่องการทำบุญให้ทานทำไปถ้ามีมากก็ควรทำมากถ้ามีน้อยก็ทำน้อยทานก็ทำไปทานกำลังต่อย่าไป หางเงินหาทองมาเพื่อที่จะเอามาทำเงินทำฐานคือเราก็ทํางานของเราไปถ้าเป็นวาสนาของเราเกิดมันรวยขึ้นมาเราก็เอาไปเอาไปทํางินได้แต่ถ้ามันไม่รวยมันพอมีพอกินชักหน้าไม่ถึงหนังก็ต้องอยู่ไปตามอัตภาพของเราแล้วก็หันมารักษาสิงกันแล้วก็มาภาวนามาเจริญสติสตินี่เราสามารถเจริญได้ ทุกเวลาทุกสถานที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปวัดถึงจะแสดงได้เช้าเราตื่นขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นาจากเตียงเราก็ตั้งสติก่อนนะี้ทให้ความความรู้สึกตัวว่าเรากำลังจะทำอะไรต่อไปแล้วก็เฝ้าดูกับการกระทนนั่นั้นๆอย่าไปคิดอะว่าลุกขึ้นมาจะเดินเข้าห้องน้ำก็เฝ้าเดินไปกับร่างกายเฝ้าจิตไปกับร่างกายเหมือนกับปัญญาะร่างกายนี้เป็นเหมือนกับนักโทษ เปจิตนี่เป็นเหมือนยางคอยอเศ้านักโทษแล้วนักโทษอยากจะขออนุญาตไปห้องน้ําก็ต้องไปห้องน้ํากับนักโทษนักโทษจะทําจะเดินก็ต้องเดินกับนักโทษจะทําอะไรก็ให้อยู่ติดกับร่างกายไปถ้าอย่างนี้เราต่อไปจะมีสติอยู่อยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วพอจะให้อยู่กับพุทโธพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธมันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ แต่ถ้าเรามีการจําเป็นจะต้องคิดอะไรเราก็คิดไปแล้วหยุดทําอย่างอื่นไปก่อนนั่งลงหรือยืนเฉยๆแล้วก็คิจารณาคิดไปให้พอว่าวันนี้จะต้องทําอะไรบ้างเมื่อคิดเรียบร้อยแล้วก็หยุดคิดแล้ว ก, กลับมาทําอย่างอื่นต่อไปถ้าต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมตัวออกจากบ้านก็อยู่กับการแต่งเนื้อแต่งตัวพอออกจากบ้านก็อยู่ก็มีสติอยู่ ออกจากบ้านก็ถือกุญแจไปด้วยล็อกประตูก็มีสติรู้อยู่บางทีถ้าไม่มีสติไปจากบ้านออกจากบ้านไปแล้วยังมาคิดทีหลังว่าเมื่อกี้ใส่กุญแจหรือเปล่าก็ต้องเดินกลับมา mm hmm. แสดงว่าไม่มีสติ mm hmm. แต่ถ้ามีสติแล้วไม่ต้องเดินกลับมามีความมั่นใจว่าได้ทําทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว นี่คือการฝึกสติเราสามารถทําได้ในชีวิตประจําวันของเราถ้าทําอย่างนี้แล้วพอเวลาที่เรามีเวลาว่างแมขณะในที่ที่อยู่ที่ทํางานช่วงหยุดหยุดพักกลางวันถ้าหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้วเราหามุมสงบที่ไหนเราก็นั่งกําหนดพุทธโธพุทธโธดูลมหายใจเขาออกไปของเราเราก็ได้ภาวนาได้ ถ้าภาวนาเป็นแล้วคนเรานี้สามารถภาวนาได้มีโยมคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ฟังว่าเอาเขาเวลาทํา ง, งานเขาก็ทําอย่างเนี้ยเขามีสติอยู่กับการกระทําของๆ เ, เวลาเดินไปไหนมาไหนเขาก็ที่ว่าเหมือนกับเดินตรงๆไปเขามีสติอยู่กับการเดินหรือภาวนาบร่อรรมพุทโธพุทโธควบคู่ไปกับการเดิน แทนที่จะไปคิดเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่คิดให้เสียเวลาจิตก็มีความสงบอยู่ตลอดถึงแม้จะไม่สงบแบบโวมลงแต่มันก็ไม่คร้งสร้างมันจะมีความหนักแน่นมีค ว, มความสงบมีเหตุมีผลจะไม่ค่อยมีอารมณ์ต่างๆความโลภโมโหสันมันจะเบาบางลงไป เวลาสัมผัสได้ยินหรือเห็นอะไรก็จะไม่เกิดความโมโหโทเสวเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาพราะจิตมันมีสติคอยคมุมอยูแต่ถ้าไม่มีสติแล้วมันจะเป็นเหมือนนุ่นเวลาอะไรมาลมเบาๆแผ่วมาก็จะปิวไปนละใครคู่อะไรนิดหนึ่งนั่งก็ไปแล้วเสียใจโกรธหรือดีอกดีใจ สายตามาลมแต่ถ้ามีสติแล้วจะมีเหตุมีผลแล้วถ้ารู้จักจเจริญปัญญายิ่งจะเป็นคนหนักแน่นใครจะพูดอะไรมีปัญญาพิจารณาแล้วแล้วจะไม่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่ได้ยินแม้จะเป็นคําดุด่าว่ากล่าวก็ตามจะฟังที่เหตุผลของคําพูดของคนว่ามีเหตุมีผลมีความเป็นจริงไหร ถ้าตาหนิเราแล้วสิ่งที่เขาตาหนิเป็นความจริงเราก็ต้องขอบอบขอบใจทางซิเพราะเขาช่วยเขาเหมือนกับเป็นผู้ชี้ทับให้เราเห็นเป็นเหมือนกระจกส่องหน้าเราอยากจะรู้ว่าหน้าตาเราเรียบร้อยหรือไม่เราก็ต้องอาศัยกระจกถ้าเราแต่งหน้าโดยไม่มีกระจกนี่เราก็ไม่มีความมั่นใจถ้าคนอื่นเข้ามาบอกว่าเนี่ยคิ้วทาไม่ถูกหรือปากทาเรา มันเบี้ยวหรือมันเละเทะเนี่ยเราไม่ควรจะไปกดเขาใช่ไอมถ้าเราไปส่องดูกระจกแล้วเออจริงอย่างที่เขาบอกเราก็น่าจะขอบคุณเขาหันใดถ้าเขาว่าเราขี้เกียจเห็นแก่ตัวมักง่ายซื่อบื้อก็อย่าไปกดเขาอ <c oughs> ันมาพิจรารณาดูในตัวเราก่อนว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า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 แต่เมื่อเราไม่ได้ซื่อบื้ออย่างที่เขาพูดเมื่อเราไม่มักง่ายอย่างที่เขาพูดเราไม่ได้เกลียดคราญอย่างที่เขาพูดเราก็ไม่เหมนมีอะไรจะต้องเสียหายในการไปอยู่กับครูบาอาจารย์ก็อยู่อย่างนี้เราจะไม่กลัวท่านแต่จะพูดอะไรจะตั้งใจฟังแต่คนส่วนใหญ่มกักจะไปอยู่แบบอยากให้ท่านรักอยากจะให้เมตตาพอท่านด่านี้ท่านว่านีิหาว่าท่านไม่เมตตา แตามจริงเพราะความเมตตานั้นแหละทิ้งว่าเราถ้าไม่เมตถ้าไม่ว่าเราเนั่นแหะถึงถแสดงว่าไม่เมตตาเห็นว่าเราผิดแล้วไม่ช่วยแก้ไขไม่ช่วยเตือนเรางั้นถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมแล้วมีอยากจะมีครูบาอาจารย์ต้องกล้าต้องมีสติต้องมีปัญญาครูบาอาจารย์จะดูด่าว่ากล่าวยังไงไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแสดง มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นให้นิ่งเหมือนหินเลยฟังอย่างเดียวแล้วก็เอาไปพิจารณาถ้าสิ่งที่ท่านพูดนี้มันจริงก็ต้องรีบแก้ไข อ, อย่าให้ท่านว่าท่านสองได้เป็นดีเพราะถ้าท่านน้องว่าท่านสองท่านสามนั่นแสดงว่าเรานี่ไม่ได้เรื่องเป็นคนที่สั่งสอนยากว่านอนสอนยาก โอกาสที่เราจะเจริญจะพัฒนาก็จะยากเพราะเรายัางมีทิฏฐิยังยึดยังลืมลืมถ้าไม่มีทิฏฐิก็มีความโง่ตัไม่สามารถมองเห็นความผิดของตนเองแล้วแก้ไขปรับปรุงตนเองได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสติและมีปัญญาแล้วการดำเนินชีวิตของเรานี่จะเป็นเพื่อประโยชน์ ทางด้านธรรมตนะตลอดเวลายังไม่สนใจกับคําสรรเสริญเยี่ยงย่อจะจริงหรือไม่จริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเพราะถ้าเขาสรรเสริญในสิ่งที่เป็นจริงเราก็เป็นจริงของเราอยู่แล้วไม่เห็นมีความจําเป็นเลยต้องให้ใครมาบอกเราว่าเราดีอย่างนั้นวิเศษอนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเราดีเราวิเศษ อ, อย่างนี้ถ้าเขามาสรรเสริญในสิ่งที่เราไม่มีมันก็ไม่ได้ทําให้เราวิเศษ ขึ้นมาได้จากําสรรเสริญคำสรรเสริญเยอเยอสำหรับนักป่าหรือสําหรับคนที่มีสติปัญญาแล้วไม่มีความหมองในในสังคมของนักป่าเขาจึงไม่ค่อยชมกันมีแต่ในสังคมของคนโง่ที่ชอบชมกันยกย่องสรรเสริญกันให้รังวี่รางวัลกันตบไม้ตบมือกันบาง ท, างทีคนที่ อยู่ในสถานที่นั้นบางทีก็ยังสงสัยว่ามันได้รางวัลได้อย่างไรไหนพูดตลกไงมน่ฟังจริงงั้นก็สรุปก็ขอให้พยายามฝึกตั้งสติไว้ให้ดี ก็มีสติแล้วมันจะพาเราไปสู่การกระทําที่ดีจะรักษาศีลได้ดีขึ้นจะมีสมาธิจะมีปัญญาจะคิดด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายความทุกข์ต่างๆเราเป็นคนสร้างขึ้นมาแล้วทำไมาคนอื่นเขาไม่ทุกข์แล้วเราต้องทุกข์ครูบาอาจารย์เขาไม่ทุกข์แล้วเราเราต้องทุกข์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 ดังนั้นต้องพยายามฝึกเจริญสติให้เรื่อยๆให้มีอยู่เรื่อยๆไม่ต้องรอไปถึงวัดก็้าค่อยไปเจริญเจริญได้ทุกขณะทุกเวลาทุกสถานที่วันนี้มีหน้าหม่มาหลายคนแล้วเป็นคนเราทั่วกันนั่นมนนี่ขามาค่ะมาที่ร้าง ท่านอาจาคะลูกเคยจะอ่านเอารู้จัปปก ป, รรปิติที่เป็นปรัสโูนี่มันผ่านกับปิติธรรมดาไหปิติที่เต็วิปัสนาเป็นเป็นวิปัสนานสน ค, คำว่าวิปัสนาโนนี่ท่านหมายถึงมันความความหลง น, นะ<ม>คือคิดพิจารณาไปแล้วคิดว่าตนเองม น, นุษย์ก็อาจจะเกิดปิติแบบหลอกๆ ก, กไ็ได แต่มันไม่ไม่ไม่มันไม่ใช่เป็นวิปัสสนาเพราะมันเป็นความจินตนาการอยู่ในจิตยังไม่ได้ไปเจอของจริงยังไม่ได้ไปพิสูจน์กับของจริงถ้าไปเจอพิสูจน์ไปไปไ ป, ไ ป, ไ, ปไปเจอของจริงก็อาจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาได้เมื่อเกิดความทุกข์ก็จะรู้อย่างอลาหังมะขุอีกไง <c oughs> บรรลุแล้วก็เป่าลูกหวี ก, ก่อสติติขึ้นมา ว่านั่งพิจารณาไปแล้วก็แล้วก็สรุปว่าตัวเองได้บรรลุแล้ ว, ว น, วนออั่นเองค่ะว่าเรื่อเรื่องวานคืนนี้อยากให้พิจารณอธิบายตรงนี้ก็พอดีมีคนถามปัญหาทําหลงตาละคะ่ะคือเขาปฏิบัติไปจนกระทั่งกระดูกบุบเลยเป็นตานี่คือทําลายรูปแล้วเมื่อตาเขาตอบว่าตรงเมื่อทํำลายรูปแล้วเนี่ยติดจะมีความว้าเวเหลงก่อนเกิดการพิจารณานามรูปนามค่ะ ท่านไม่ได้ถามว่าว่าเหรอหมายถึงแบบว่าถ้าเรามันว่างคือมันว่างจากกายไแล้วเมื่อมันปล่อยกายไปแล้วมันก็จะกายก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับจิตดวงนั้นต่อไปจิตมันก็จะว่างจากกายพิจารณาไงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วเพราะมันไม่ได้เป็นปัญหาจิตไม่มีอารมณ์อะไรกับกายนั้นต่อไปไม่ได้ไม่เสียกับกายนั้นเหมือนกับร่างกายของคนอื่น เ้าไม่เคยคิดถึงร่างกายของคนอื่นเลยเขาจะเจ็บจะปวดจะเป็นอะไรเราก็ไม่ได้ไปคิดถึงมันขณะใดร่างกายนี้ขณะที่เรายังไม่ได้พิจารณาเราก็ยังมีความห่วงมีความกังวลยังมีความผิดพันกับมันอยู่แต่ถ้าเราพิจารณาจนกระทั่งเห็นว่ามันกลายเป็นดินไปแล้วมันก็ไม่รู้จะไปไปห่วงอะไรกับมันไปห่วงอะไรกับก้อนดินก้อนหนึ่งในที่สุดมนันก็จะต้องเป็นอย่างนั้น แล้วจิตในพิจรณาจนมันรับได้ยอมรับแล้วก็ปล่อยวางตามความเป็นจรนะิงแล้วมันก็หมดปัญหาไปมันก็ว่างจากเรื่องของการานั้นเองหมายความหมาย ก, ก็ว่าถ้าผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับกายนั้นเนี่ยอ ม, มก็จะไม่เป็นหาสัก็ทั้ ง, งจ ใ, จใจเลย จ, จิตมีความมั่นใจแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันก็เหมือนไม่ใช่ของเราไปแล้วเอปล่อยวางก็แล้วหมดปัญหาก็แล้ว ก็ก็ถึงยะก้าวเข้าไปสืนามธรรมต่อไปจะไปคิดจินาไอที่มันยังมีอยู่ในจิตที่ยังมีที่ยังมีความผูกพันอยู่ท่านแสดงว่านี่ถึจะมีสังโยชน์ข้างบนอยู่ห้าประการคือความติดในในรูปประชานความติดในอรูปประชาน มานะอุทธัจจะแล้วก็อวิชชามีเป็นเป็นธรรมขั้นละเอียดที่จะต้องเข้าไปพิจารณาก็พิจารณาควบคู่ไปกับการเกิดดับของนามทั้งสี่นามขันคือเิสนาสัญญาสังขารสิญญาเพราะพวกนี้ก็เกิดจากการฟูงแตกของสังขารการจำได้หมายรู้ของสัญญา ทำให้เกิดมีเวทนาสุด ข, ขึ้นมาทุกเวทน า, าสุดเวทนาไม่สุดไม่ทุกเวทน า, าขึ้นมามีวิญญาณรับรู้เรื่องราวล่านี้ถ้ามีความหลงก็จะมีความยึดจิดถ้าจิตมีความสุขในความสงบกับรูปปัจจานก็จะติดอยู่ในรูปปัจจานถ้ามีความสุขที่เกิดจากความสงบ ข, ของอารูปปัจจานก็จะติดอยู่กับรูปปัจจานก็นจะไม่สนใจที่จะออกมาเจริญพิจารณา เพื่อที่จะกําจัดอวิชชาและมานะก็ยังมีการถือตน่ถือว่าตนสูงกว่าเขาบ้างเท่าเขาบ้างหรือต่นกว่เขาบ้างและยังไม่เห็นอวิชชาที่ยังไม่เห็นอริยสัจที่มียังมีในจิตดวงนั้นจิตดวงนั้นยังมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา สลับกันไประวังสุขบ้างทุกบ้างในเวลาทุกข์ก็รีบพยายามกำจัดเพื่อให้มันสุขทำอย่างนั้นก็อยากแสดงว่ายังติดในสุขอยู่วิธีที่จะหลุดพ้นก็ต้องปล่อยวางทั้งสุขและทุกข์ที่มีในจิตต้องดูด้วยปัญญาต้องให้เห็นว่าสุขที่มีอยู่เช่นสุขที่เกิดจากอรูปชาหรืออรูปชา ต่อที่เกิดจความสงบของจิตนั้นก็ยังเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเพราะมันยังมีความทุกข์สลับฝากรขึ้นมาอยู่แต่ถ้าไม่คอยสังเกตจะไม่เห็นก็จะคิดว่าไม่มีความทุกข์เลยอยู่แล้วก็จะก็คิดว่านี่สึ้นสุดแน้วหองการปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติต่อไปมันก็จะติดอยู่ในในในสุขแบบนั้นสุขที่มีความทุกข์ พอมี ค, ความทุกขึ้นมาก็รีบใช้สติปัญญาไปไ ป, ไปดับมันไปไปกดมันไว้ไปหยุดมันไว้แต่ไม่ได้พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมเป็นของคู่กันระหว่างความสุขที่มีอนยะู่นั้นกับความทุกข์ที่มันปรากฏขึ้นมามันเป็นเหรียญเหรียญเหรียญเหรียญอันเดียวกันแต่เป็นสองด้านมันสลับกันพลิก คือจิตตอนนั้นมันจะละเอียดมากน่าจะมีความสุขมากแต่ในความสุขนั้นมันก็จะมีความทุกข์ท่านแสดงว่ามีความท่องใจมากแต่มันก็มีจุดเช่นว่าที่ตรงไหนมีจุดมีต่อะตรงนั้นจะเป็นอะไรพบของชาติเพราะจิตยังไปยึดติดอยู่ยังอยากอยู่ยัง ม, มีความอยากที่จะให้มัน สงบอย่างนั้นสุขอย่างนั้นอยู่มันก็เป็นการยึดติดมีปัญหาก็เกิดความทุกข์ขึ้นทุกในจิตก็จะสอนว่าต้องิอุจริาว่ามันเป็นของคู่กันถ้าจะปล่อยก็ต้องปล่อยทั้งคู่จะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้อาวสุดนี้มันก็ต้องมีทุกแบบ น, นั้นตา่างเพราะมันยังมันไม่ไ ด, มไมได้มันไม่ได้เป็นสุขที่มัน มันไม่เปลี่ยนแปลงนี่มัน Aquí, มันเป็นสุดทใ Wert, ใครครี่อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังยังเป็นใจรัอ lane, อกอยู่ก็เราพิจารณาเห็นว่าสุดนี้มันเป็นใจรักเมื time, ่อรู้ว่าเป็นใจลักก็จะปล่อยวางปล่อยวางมันก็มันจะสุขจะทุกข์ในใจดังนั้นก็ไม่ไปกังวลกันบ่อยให้มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อปล่อยแล้วมันก็จะมันก็จะมันก็จะลด นัานเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทางที่เกี่ยวกับนามขันเกี่ยวกับจิตที่ไม่เกี่ยวกับร่างกายนะขอมิทาที่จะอธิบายอุเบกขาเวทนานด้วยคือเวทนา <S 2> <S 2> ถ้ามันแบ่งเป็นสองภาคคือทางกายแล้วก็ทางจิตเนี่ยถ้าทางกายเช่นเวลาเราหิวข้าวเราก็เรียกว่าทุกเวทนาหรือเวลาเราเดินไปเตะก้อนหินเกียรติเท้า นี่ก็เป็นทุกเวทนาเวลาเราร้อนแล้วเราได้อาบน้ําได้เข้าไปในห้องแอร์หรือเวลาหิวน้ําได้ดื่มน้ำได้รับประทานอาหารนี่ก็เกิดทุกเวทนาทางกายส่วนในขณะนี้ร้อนก็ไม่ร้อนเจนเกินไปหนาวก็ไม่หนาวจนเกินไปหิวก็ไม่หิวเฉยๆงนี้ก็เรียกว่าอุเบกขาเวทนาทางกายใช่ไหมตอนนี้แต่ว่าสุข ก, ก็ไม่สุดจะว่าทุกก็ไม่ทุก ก็เรียกว่าอาาุเบกขาสเวตนาแต่นี่เรื่องของทางกายท <tables années S 1> ี่าา our, ทางจิตมันก็ถ้าเราคิดถึงเรื่องอะไรที่ทำให้เรามีความสุขขึ้นมาอันนั้นก็เป็นสุขเวทนาเช่นที่ว่าอ๋อเดี๋ยววันนี้เงินเดือนออกเดี๋ยวได้เงินแล้วนี่ก็เกิดสุขเวทนาแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเขาจะมาทวงหนี้เกิดทุกเวทนาขึ้นมาหรือถ้าไม่ได้คิดถึงเรื่องทั้งสองอย่างนี้ ไม่ได้จดจีเนื้องอะไรก็อาจจะคิดว่าจะจะจะเดินไปซื้อข้าวซื้อของจะไปออกกําลังกายหรือไปทำอะไรที่มันไม่ได้มีเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นอุเบเกขาเวทนาแต่มันต่างกับอุเบกขาที่เกิดจากเวลาจิตรวมลงเป็นหนึ่งอันนั้นจิตมันหยุดทำงานโด ย, ยสังขารไม่คิดไม่ปรุงทั้งสิ้นอันนี้มันเป็นความสุข ของจิตรวๆนๆหรือจะเรียกว่าเป็นความสุขของท่านิพพานก็นได้เฉงแต่ว่าเป็นความสุขแบบเดียวกันเฉงแต่ว่าสุขในสมาธินั้นเป็นชั่วขา้าวเป็นนิพพานชั่วขา้าวอยู่ได้เพียงแค่รูปเดียวถ้าใหมๆ่ๆเขาเรียกเป็นคานิกะสมาธิจิตรวมลงรวมลงแล้วก็สงบนิ่งมีความสุขเป็นที่แล้วก็ถอนออกมา หรือถ้าชำนาญก็อยู่ในในฌานเป็นเวลานานไดบางทีเป็นชั่วโมงชั่วโมงบางทีเป็นวันอย่างนั้นก็เป็นความความสุขที่ไม่ใช่เป็นเวทนาทั้งสายน่หรือถ้าเป็นความสุขของพระพุทธเจา้าของพระ อ, อรหันต์ก็เป็นท้าวรเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวทเรื่องของความคิดปุงแต่งที่จะทําให้เกิดสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ ใ้จิตอันนั้นเป็นสมมุติขันเป็นสมมุติแต่ความสุขของพระนิพพานนี้มันเป็นยูเนมันเป็นความสุขที่ยั่งเดิมที่มีกับจิตจใจที่สงบถ้าจิตสงบเมื่อไหร่แล้วความสุขนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาจิตสงบก็ขันก็จะต้องระงรับดับไปหมด เวทนาสัญญาสังขารยมยางก็หยุหดหนดมันจะปรากฏความสุขแบบนี้ขึ้นมาขึ้นต่างกันอย่างนี้ก็มีความสุขอยู่สามแบบสุขกายสุขเวทนาสุขทางใจที่เกิดจากความที่รุงแต่งและสุดที่เกิดจากความสงบการรวมลงของจิตนั่นคือสุขที่เราตั้งเตาไปกันคือสุขจุด ความสุดที่สุดท้าย น, นี้เราจึงต้องมาปฏิบัติมาตั้งสติมาเจริญสติมากําหนดพุโทโธมาดูลมหายใจเข้าออกพิจารณาร่างกายพิจารณาธรรมต่างๆเพื่อปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราถูกหลอกด้วยโมหะด้วยอวิชชาว่าเป็นความสุขที่เราแสวงหากันทุกวันนี้แล้วก็แสวงหาความสุขกันแต่ละ แต่เราสวา่างค้าดผิดที่สิ่งที่เราไปสว่างหานะั้นมันเป็นเหมือนกองไฟเหมือนแมพวกเราเป็นเหมือนแดงเม้าเราเห็นแสงไฟแดงเม้าเวลาเห็นแสงไฟแนละ้วมันจะเกิดความกระตือรือร้นวินดีมันจะวินบินเข้ากองไฟแต่มันไม่รู้ว่าในกองในแสงสว่างนะั้นมันมีความร้อนอยู่เมื่อเข้าไปแล้วมันก็มันก็ถูกไฟนะนะั่นแหะเผาตายไป พวกเราก็เหมือนกันมองเห็นความสุขในลูกในเสียงในกิ่นในลสในปวดสะพ้ต่างๆเห็นความสุขในลาบยศสรรเสริญเราก็แสวงหากันแล้วเป็นยังไงนอนตายหน้าผากันทุกคนมีมากมีน้อยยังไงก็ทุกข์ก็มาเพราะมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นอนิจจังทุกของอังอนัตตา มันเป็นทุกข์เนื่องจากไม่มีปัญญาตัวมองไม่เห็นเห็นยากการที่จะเห็นทุกข์ในราบยนศสธอเสริมสุกนี่เห็นยากพวกเรานี่เป็นเหมือนคนตาบอดถ้ายังยินดีกับสิ่งเหล่านี้สแสดงว่ายั ง, งโง่ยังหลองอยู่ยงั้นเราก็ต้องเคยเชียสติว่า จริงงนี้ก็จริงของไม่เที่ยงหรยือว่าจะเปลี่ย น, นเตือนเฉยๆมันไม่ทอนมันต้องเห็นด้วยเหตุด้วยส่วนก็เตือนได้แต่พอถึงเวลาปั๊บมันไฟล้ะควา้าละเตือนได้แต่มันไม่มีกาลังมันต้องมีของจริงมาติเทียบเช่นถ้าจิตรวมลงเป็นสมาธิแล้วเอทีนี้ดู้แล้วอว อ, อันนี้ของจริงเป็นอย่างนี้ใครที่ใคยมีมาก่อนนี้มันไม่ใช่ ถึงขนาดนั้นมันก็ยังโอโหลําบากพาอออกจากสมาธิปั๊บไออานาจของความหล่วงความอยากมันก็รู้แรงเข้ า, ข า, ขามาพยายามฉุดลากเราออกไปก็เวลาจะเข้าสู่ความสุดนั้นได้แต่ละครั้งมันแสนทรมานเหมือนปีน ป, ปีนขึ้นเขาแต่เวลาไปหาความสุดทางโลกรูปเสียงกินดรดปวดสะพานมันเหมือนวิ่งลงเขาเ <c oughs> <c oughs> ออมันง่ายมันเร็ว ท่นที่เราพูดนี้ยังเป็นทฤษฎีอยู่ยังไม่ได้เป็นของจริงในในจิตของเราเพราะเรายัางไม่ได้เจอของของจริงเรเราถูกของฟอร์มหลอกปับแล้วก็ไปทันทะีมีใครมาชวนบอกจะให้เงินทกแสนหนึ่งนี่ถ้าจะไม่ต้องคิดเอาไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ไม่คิดว่ามันเป็นเหยื่อหรือเปล่าเราจะเป็นเหยื่อเข้าหรือเปล่า เหมือนกับปลาที่เห็นเห็นเหยื่อที่ติดอยู่ใลายดเดกันใดพวกเราก็อย่างนั้นพอเห็นมีโอกาสจะได้ลาบยอะฉลาดเฉลสุดแล้วคว้างับเลย <c oughs> แล้วก็ติดเหย็ดทรมาน ม, มาวุ่นวายที่หลังโดนหลอกบ้างโดนโกงบ้างเขาเอาความรูปของเราเป็นเป็นเป็นจุด พขารู้ว่าเราโรคเนี่ยเขาก็มาหลอกแนะเราก็ให้สิ่งนี้นสิ่งนี้จะได้สิ่งนี้ น, นี้โอ้โหเราก็เอากันอย่างอย่างแชร์แม่ชะ ม, ม้อยเห็นอะได้ดอกแป้งโอ้โหไม่ใช้ปัญญาคิดเลยมันมันเป็นมาได้อย่างไรถ้ามันดีจริงเขาเขาจะมาเปิดโอกาสให้เราทําไมเขาตัดตวงก็คนเดียวไม่ดีกว่าเ น, นี่ยเพราะเราไม่มีปัญญา ว่าเรายังมีความหมนุนครอบงำต้องปฏิบัติท่านะมันถึงจะเกิดปัญญาคือมันพอจิตสงบแล้วมันไม่หิวแบบอะไรทีนี้ใครจะมาหลอกมาล่อ ย, อย่ายังไงก็ใจเย็นได้นั่งคิดพิดจารณาก่อนตรวจตาดูก่อนเช็คดูก่อนให้เอาคข้ อ, ขอก่อนว่าเออมันมันเป็นจริงอย่างที่เขาพูดหรือเปล่า ถ้าเป็นจริงถ้าเรายังมีความจาเป็นที่จะต้องใช้เงินอยู่ก็ก็เป็นวิธีที่ก็ดีจะได้ถ้าได้เงินมาแบบนี้แล้วมันไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจีิยธรรมได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแบบอื่นก็น่าจะทําได้ถ้ามีถ้าเรามีสมาธิบ้างมีปัญญาบ้างเราจะไม่ให้ค่อยตกเป็นเหยื่อของผู้อื่เนแต่ถ้าเป็นแบบไม่มีเหตุไม่มีผล แบบที่เขาชอบส่งมาทางอ e ีเมล่าคุณได้ถูกรางวัลแล้วขอให้คุณส่งบัญชีสมุดบัญชีของคุณมาแล้วเขาจะได้โอนเงินเข้ามาให้เราเดี๋ยวมาเอาสมุดบัญชีเราไปเบิกเงินเข้าโดยที่เรามีตัว <c oughs> <c oughs> มิถัยมคเคยโดนหลอกามาก <c oughs> ก็ยังบางดีถ้าบอกว่าที่ว่าผมตอบแทนดีอะไรเนี่ยมันก็มาพร้อมความเสี่ยงอ่นะใช่พร้อมความเสี่ยงด้วยก็ต้องใช้เหตุผลใช้หลักวิชาการับพิจารณาที่ต้องใช่ถ้าเราไม่โรคเสียอย่างแล้วเราจะก็ฝากเงินประจําไม่นี่ก็พอละปลาดภัยที่สุดละว่าเมืองทยนี่เขายังมีรัฐบาลเป็นทูตรับประกันอยู่แล้ว ใช่ไ้มแบงก์จะล้มยังไงเงินเงินธนาคารของเราเรายังได้คืนอยู่ดีแต่ต่อไปเงินทังอินทรียต้องซื้อประกันเองไม่ใช่เหรอต่อไปก็จะไม่ก็จะไม่รับประกันแล้วมีแค่วงเงินแต่รอผุดสายอออคนรวยจะลําบากหมือนใช่อาจารตอนต้นอาจารย์พูดถึงเรื่องว่าเราทําทานเนี่ย ไม่ต้องไปค้นขวายหาเงินมาเพื่อจะทําทานนะครมีเท่าที่เรามีนั่นหมายคามเรามีเท่าไหร่เนี่ยเราสละได้มากเนี่ยความรวมในใจที่เราสละได้มากเท่าไหร่นั้นนั่คือชื่อบุญส่วนบุญที่เราได้รับใช่ไหมครับไม่ใช่ไปหามาแล้วไปก้อนโตๆแล้วไม่จําเป็นทุกอย่างเลยนะครความรู้เพิ่มขึ้นความเพิ่มขึ้นก็จ้างพบจางให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าบุญเรามีอยู่แค่นี้เราอยากทำบุญมากกว่านี้เราก็ไปมัทยัตอย่างอื่นเอาแล้วก็สละเพื่อจะทำบุญก็ดูจ้างต่างๆที่เขาบวชแล้วเค้าาไไปททํบุี่หนะร ทานน่าไม่มีอะไรจะให้แล้วเือแค่รอยฐานแตก ใ, ใช่ไหท่านก็มุ่งไปที่รักษาศีลสองอยี่เจ็ดข้อแล้วก็พาวนานท่านไปหลวงตาสมัยที่ท่านปฏิบัติท่านก็ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับทางโลกเลยไม่ได้ไปหาเงินเพื่อที่จะมาสร้างวัดสร้างศาลาสรส้างโบสร้างอะไรท่านไปเพื่อการหลุดพ้นเพื่อการกำจัดทางโลกขวดหลวงใช่ไหม แต่เมื่อท่านท่านเสร็จงานนี้แล้วท่านก็มาเกี่ยวข้องกับทางโลกมาช่วยเหลือทางโลกเพราะว่ามีคนทําบุญกับท่านมากงางที่ท่านได้มาท่านก็ก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ท่านก็เลยทําบุญแต่ท่านไม่ได้ทำเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากการทําบุญของท่านเพราะบุญที่ท่านต้องการนั่นมันพอเพียงแล้วครบถ้วนบริบูรณ์แล้วจริงๆโยเวลาทําทานเนี่ยส่วนใหญ่ก็ปรารถนาสูงมาก แต่จริงๆมันได้เก่งเล็กน้อยท่านดาจารย์พูดถึงก็มาก ล, ล <ะ S 1> ค, คือมากเลยทางด้านทรัพย์ทางด้านทรัพย์ๆๆแต่เขาไม่ได้บอกว่าถ้ารักษาถ้าทําบุญทําทานจะไม่รักษาสิ่งนี้จะไม่ได้กลับมาเป็นเศรษฐีเป็นมนุษย์น <ๆ S 1> จะเป็นลูกเป็นสัตวเลี้ยงของของเศรษฐีมันบานทีก็ถือว่าเป็นลกเป็นการหลงบุญที่ทําให้เกิดตายเกิดตายอยู่นั้นเลยครับใช่บางวัดก็ใช้หลักนี้หละคนทําบุญยิ่งทำช้าแล้วแต่ไม่หวานนะ มาปรเทศใกล้เขียงที่จะถามมาแต่ก็อยากปเรียนถามาที่ทดีนะคะที่ท่านผู้พดว่ามันเลี้ยงเองไดน้อยไม่สู้ผิวกับสมาที่อะไรไม่ได้นะคะรว่าในกรณที่เราทำดูนะคะจำนวค่ะโหหลงตาอะไราย่างเงี้ยค่ะถ้าเราอยากจะทำดูห้าเดียวก็ห้าราทงานที่เราจะแบ่งนะคะแตร้อยครั้งเหมือนกันเหมือนกันทาทีเดียวดีกว่าเพราะว่าบางทีจะไม่มีโอกาส อาจอาจจะตายก่อนก็ได้แอมีอะไรพลาดมันไปหนเดียวให้หมดเลยจะได้หมดภาระพราะคนเวลาเขาจะออกบวชเขามีอะไรเขาก็ชำระหมดเขาไม่คอยกล้าไหว้กล้ากไหว้เขาก็ยังออกบวชไม่ได้อืม แสดง ว, ว่ากักไว้เหมือนกับเหมือนกัก ค, ความโลภออกไปใช่ไหมเป็นอย่านก็ยัยงโง่อยู่แล้วว่ายังอยากจะเอาหน้า <c oughs> ทาํ้งหลวงตาเอาหน้าทั้งหลวงตาแล้วแถวคนนอกข้างว่าเอาฉันก็ทําบุญของฉันอยู่เรื่อยๆทามันหนัเดียวแล้วก็จบมีเท่านี้เนี่ยก็ทําได้เท่านี้แหละบางทีเป็นความสุขใจอยาที่ได้ทําทุกวันมันเป็นความสุขจอมปล อ, อมจนที่เราคิดจากการจูงแต่งของเราที่เกิดจากความโง่ คว่อสุจรงมันต้องปล่อยวางหมดไปแล้วหมดไปเลยไม่เสียดายไม่คึดถึ้นมาอีกต่อไปมัยังเสียดายยังเก็บไว้ทีละและเท่น้อยไว้ไม่สมัยเด็กๆที่เรามีขนมอะฮะเร า, ากินทีละน้อยกว่ากินหมดหมดแวนะกิจะหมดแล้วมัน่อยากอร่อยหลายวันกินหมดก็ไมกินต่อแล้วออไปกวฟังหัวเสีข้อหัวแล้วติดในความสุข มันจะมีความเข้าใจฝึงกันเขา ม, มันก็มีเหมือนกันแต่มันเป็นติจอมฟอดจู้ดนะทำมันทีเดียวให้มันหมดไปไ ม, มันจะได้ความสุขมากขนานั้น พแต่เราไม่เคยทำํำเราเราไม่เจอมันเราเลยไม่รูยคือมันเป็นสูตรนี้ไงท่านเลยทุกเวลาเอาเช็คไว้ท่านอาารย์ดวงตาทุกวันเราท่านยิมด้วยก็เราเราเราไม่ได้ทําบุญจริงๆรไงเราทําบุญแบบเล่นละครกันเราได้ความสุขจากผู้อื่นความจริงการทําบุญนี้ต้องได้ได้ได้จากเกิดจากการเสียสละเกิดจากการตัดเกิดจากการปล่อยวางเงินทองที่เราไม่อยู่ ทำมันให้มันหมดไปเลยแล้วก็ไม่มีความกังวลอะไรกับมันต่อไป เธอไเชทนกันแล้วมันมันวุ่นวายมาท่านก็เมาคอยรับทุกวันขอให้่าขอมเดียวมันก็จบถ้าเขาบอกเวลาเธอไหวทางว่าท่านบอกพอใจพอใจเขาอย่งไงนสวเียดียวาจเห็นก็วนรอบข้างเขาถวายทุกวันเอ๊ะเอาไหม หลวงตาต้องเข้าใจแหละว่ามันเป็นจิตวิทยามันเป็นความติดเล็กๆน้อยๆของพวกเราท่านรู้ว่าเรายัา ง, ยางยงยึดยังสิดอยูอย่อทําทไม่ได้ท่านก็ไม่ได้พูด อ, อะไรผูร้ที่กำลังใจผี้ที่วันทุกวันเราจะพัฒนาจิตใจเราต้องต้องแบบพระเยสันดอนต้องทําบุญแบบพระเยสันดอนแล้วต้องทําแบบปิดทองหลังพระ ควรจะถวายบบนี้ตามไม่รู้เอาไปให้คุณชายสำมาเหมือนเรื่องทำได้ไหมทำอย่างนั้นได้บุญเยอะกว่า อ, อีกมีความความสุขนี่ทำเถวายแล้วจองจอน่ะจั สาเขจะต้องรทำไมท่านถึงต้องทให้คนนั้นเสียใจพยายามต้งเสียใจนะแันไม่ด้ไ่ด้ทุกเรือะไรทานม่ให้เขาเสียใจเขาเสียใจเองเพราะเขายึดติดในตัวท่านยึดติดในสมบัติขงนถ้าเรามีถ้าเรามีมีปัญญาเราจะนุโมชนากับพระเวสสันดรแต่แต่เขายังมีจิเลจิตเขายังไม่อยู่ในระดับเดียวกับพระเวสสันดรเขาก็ทุกเขาก็เสียดจ ของที่เขาไม่สันดอนสลัไปแต่ถ้าเราอยู่ในระดับเดียวกับท่านเราก็จะอมิโมะมาเราดีนะไม่มีสายจะสบายก็มีดูพระอรหันต์ท่านมีอะไรนี่ใช่ไหมเราต้องการจะไปถึงจุดนั้นไม่ใช่หรอเมื่อเราไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องกล้าสลับทุกอย่างเพราะทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันเป็นเป็นเหมือนบ่วงอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เวลาที่เสด็จออก ตอนที่ได้ถ่าวว่าได้พระได้พระราชาโอรสมาแล้วท่านก็บอกราหุ่แต่ว่าบ่วงมีแล้วมันเป็นบ่วงมันจะถูกให้เรา ว, วียนไหวตายเถิดไม่รู้จักเกิดจากที่เราถึงต้องตัดไงการทำบูชาทานที่แท้จริงกัคือการ ต, าาตัดอุปทานความยึดติดเกี่ยวกับสิ่งของต่า ง, างเงยนทอ ง, ทงต่าง ไ่คุณภาเดียวกันเลากีก็ว่ารว่าที่่อบนเพื่อนะาเป็่อถ้าถ้าเขาถ้าถ้าเขาไม่มีบุญก็ไม่มีปัญญาเขาก็จะเขาก็อาจจะโกรธอาจจะเกลดพ่อกันแล้วแต่ตันนีก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของของพ่อพ่อทำสิ่งที่ถูกแล้วคือพ่อบำเพ็ญบารมีของท่านอยู่ ก็ดีก็ได้บางทีจะได้ไม่ต้องเสียการต่ตตอกันพราะเราต้องอยู่ตัวคนเดียวในที่จุดเขย่าต้องอยู่ตัวคนเดียวต้องไม่มีอะไรผูกพันเลยไหวหวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้จะได้เสียงที่ดีกว่าถึางที่เรา หลงยึดติดนั้นมันเป็นเหมือนก้อนอิด ก, ก้อนปวด้อนตาแต่สิ่งที่เราได้จากการปล่อยสิ่งเหลนั้นก็คือเท่านอินจินดาไม่เช่นนั้นจะมีพระอ า, หารหันตพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาไม่ได้ถ้าย่างเสียดายในราภยศรัตน์เกิดในโลกิยะสมบัติต่างๆแต่ท่านได้สัมผัสกับสิ่งที่มันดีกว่าท่านถึงปล่อยได้โดยตอนที่ ตอนที่ท่านยังไม่บรรลุแต่จิตท่างรวมวงเป็นสมาธิเนี่ยก็เป็นตัวอย่างเหมือนกับดูหนังตัวอย่า ง, งเวลาเขาอยากจะให้เราไปดูหนังเขาบ้างจะฉายหนังตัวอย่างให้เราดูก็การได้ความสงบจากการรวมวงของจิตเป็นสมาธินี่ก็เป็นเหมือนได้สัมผัสกับตัวอย่างของพระนิพพานกับความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในจิตในใจขอาแต่รู้ว่าจยากจะได้ความสุขแบบนี้ต้องต้องสละทุกสิ่งไป ท่านถึงะละราชสมบัติออกบวชได้เพราะท่านเคยมีชานอยู่ตั้งแต่ <c oughs> สมัยที่อายุไม่กี่ปวบท่านเป็นเด็กๆ <c oughs> ท่านไปอยู่ในงานจดหลพนังขัน <c oughs> แรกนาขวัญแล้วพวกข้าราชบริพาลปล่อยให้ท่านนั่งอยู่ใิลําพังแล้วเขาไปทํากิจกรรมอะไรกันอยู่ขณะที่ท่านอยู่ตามลําพังนั้นจิตของท่านก็รวมเลย ท่านก็นลเลือกเห็สภาพนี้ยในขณะที่ท่านบาเพ็ญเพียรท่านสุดท้ายว่าจิตต้องสงบตรงนี้อะไรก็ตามที่ทําให้จิตไม่สงบไม่ในไอ้ตัวนั้นถือว่าเป็นกิเลสเมื่อปฏิบัติแล้วจะรู้เองมันกิเลสนึ่งจะเป็นเหมือนของมาทิ่มแทงจิตใจจิตที่สงบนี่ยพอครัวกิเลสขยับขึ้นนิดเดียวจะรู้ทันทีรู้วันนี้เป็นกิเลสแต่ถ้าไม่มีความสงบแล้วจะไม่รู้ ก็ ล, ลงเหมือนกับเนี่ยลงที่ทําบุญแล้วมีความสุขความสุดอันเนี่ยแต่เราไม่คิดเลยว่าถ้าเกิดท่านไม่ยิ้มกับเราส่านผียเนี่ยเราจะเราจะเสียใจแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ทําบุญเพื่อสละเงินทองเราทําบุญเพื่อจะรับความยิ้มของท่าน แบบนี้พระูทธชา้าถึงถึงไปที่ได้รับการยกย่องจับว่าเป็นบุุรของโลกก่อนะครับใช้เวลาอย่างไรหลวงมากเพราะปัญญาด้วยเพราะท่านเห็นในสิ่งที่ไม่มีใครสามารถเห็นได้พวกเราต้องมีคนสอนคอยบอกอย่างเนี้ยคอยอธิบายกันาบเนี้ถึงจะเห็นแต่ถ้าไม่มีใครมาอธิบายแบบนี้ท่านต้องเห็นด้วยปัญญาของท่านเองท่านนี้ต้องลําบากลาบนเสียเวลามาก บำเพ็ญบารมีมาไมา่รู้กี่ครับกี่การถ้าท่านเกิดมาในสมัยที่มีพระธรรมคำสอนนี้ท่านก็คงจะเป็นเหมือนกับภาษาวลิบุตรเป็นพระโมคคลลาไม่ต้องเสียเวลามาบำเพ็ญพอฟังปั๊บก็ท่านจะบรรลุได้ ท, ทันทีแต่ท่านไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระธรรมคำสอนในสมัยที่ท่านบำเพ็ญเพียง ท่านเลยต้องทดลองวิธีการต่างๆผิดบ้างถูกบ้างเป็นในที่สุดถึงจะพบทางที่ถูกแต่พอท่านรู้แล้วท่านมาสอนคนนี่พวกที่เขามีบารมีพร้อมอยู่แล้วเพียงรับฟังธรรมครั้งเดียวเขาก็บรรลุ ก, กันถ้าคิดดูตั้งแต่เวลาที่พระพุทธองค์ทรงประกาศสอนพระธรรมครั้งแรกในวันเพ็ญเดือนแตะวันอาสานหาบูชา จ น, นถึงวันแผ่น เ, เดือนสามวันมาค้าบูชาก็กี่เดือนอ่ะเจ็ดเดือนใช่ไก็มีมีผ้อาอรันปรากฏขึ้นมาหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบมาเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยไม่มีการนัดหมายกันให้่กนะคือพวกนี้เขาได้ยินได้ฟังคของพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุเป็นผ้อาอรันกันอย่างรวดเร็ว ภายในเจ็ดเดือนมีผ้าหันขึ้นมาถึงหนึ่งันสองร้อยห้าสิบยี่แต่ก่อนนั้นเป็นเวลาเป็นกลับเป็นกันไม่มีผ้าหันปรากฏให้โลกได้เชยชมได้กราบไหว้เลยฉะนั้นจึงจะเห็นคุณค่าของพระพุทธเจ้าว่าสำคัญขนาดไหนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือมีแล้วไม่ประกาศสอนดังที่รงมีความรู้สึกในเบื้องต้นหลังจากตัดทะลแล้วก็มีความท้อพระทยัยคิดว่า ทำนี้สอนไปก็ไม่มีใครจะสามารถปฏิบัติได้ไม่มีใครจะสนใจศึกษาก็ไม่มีความความที่อยากจะผลขวายแต่หลังจากนั้นก็ท่านในคัมพีท่านก็บอกว่ามีเท้ามาหาผมได้มาอาราธนาให้มีข้าเมตตาโปรดจัดโลกแล้วพระองค์ก็คงจะพิจารณาด้วยปัญญาก็แยกแยะสัตวดและจงัูสี่เห่า วาพวกที่สามารถรับรู้ธรรมนี้ได้ก็มีพวกที่ไม่สามารถรับรู้ได้ก็มีพวกที่รับรู้ได้เร็วก็มีรับรู้ได้ช้าก็มีตามลาดับแห่งสติปัญญาบาลานีที่ได้ลงเพ็มาท่านจึงทรงมุ่งไปที่พวกที่รู้เร็วก่อนรับได้เร็วก่อน<ม>ก็มีพระปัญจาวาัคคีย์ที่ท่านเห็นว่าพร้อมแล้วศีลก็มีแล้วสมาธิก็มีแล้วขาปัญญา ขาดปลายลักษณ์ทนั้นมองไม่เห็นเห็นแต่อานิจจังเห็นแต่ทุกข์แต่ไม่เห็นอนัตตามีพระพุทธเจ้าองค์แรกที่เห็นอนัตตาทําให้เห็นครบปลายลักษณังสามนักปฏิบัติส่วนใหญ่ก่อนหน้านั้นก็เห็นกันอานิจจังก็เห็นกันเราก็เห็นกันก่อแก่เจ็บตายนี่มันก็อานิจจังทุกข์เราก็เห็นกันแต่เราไม่เห็นอนัตตา เราจรึงปล่อยวางไม่ได้เราเราจรึงยึดติดอยู่กับคกองทุกข์ยังยึดติดอยู่กับขันห้ายึดติดกับร่างกายถ้าเราต้องการหลุดพ้นเราต้องปล่อยวางขันห้าปล่อยวางร่างกายเพราะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังมันเป็นอนาาัตตาพอท่านสอนงอันนี้ครั้งแรกพระอัญญากนทันยะก็มีดวงตาเห็นธรรมลกุกเป็นพระโสดาบันได้ทรงแสดงทำให้พระพันจวาวกีอีกครั้งสองครั้งก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ กันทั้งห้ารู้ที่ปัญญาบรรลุที่ปัญญาไม่ได้วรรลุที่สมาธิที่ฌานไม่ได้บรรลุที่สีต้องปัญญาเท่านั้นและต้องปัญญาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเือต้องมีต้องเห็นใจละในขันหะในจิต้อเห็นแล้วก็ปล่อยวางเหมดยึดติดไม่ได้ยึดติดแล้วก็ยังต้องทุกข์กับมันอยู่ ถ้าพระพุทธเจ้าตัดถึงพระทัยไม่ไม่สอนก็จะไม่มีพระอาหารไม่มีพระพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้พวกเราก็คงจะเป็นเหมือนพวกคนที่เขาฆ่ากันเป็นพักเบื่อกันทุกวันเลยหรือเป็นพวกที่หาความสุขแจกลูกเสียงเกิดรถโผล่ถ้าพระพระความสุขจะลาบลุกสรรเสริสญพวกนี้ก็ถึงแม้จะอยู่ในใน ใ, นในดานพุทธจะมีพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับพวกหูโนหู ห, หวกตาบอด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 ก็เหมือนกับทัพพีในหม้อแกงถึงแม้จะไปอยู่ในแกงราคาเป็นล้านก็ตามเน่งเขามีอาหารเนื Sultan, nature, ้อละล้านได้หยินข่าวมาเลยเรื่องนี้แต่พวกทัพพีที่มันอยู่ในอาหารเหล่านั้นมันไม่รู้ว่าอาหารเหล่านั้นราคาเป็นล้านแต่พวกที่เขากินเน่ะเขารู้เขาได้ลิ้นโด้นสด้วยลิ้นของเขา ขงพวกเราก็อย่าไปเป็นเหมือนพวกเขาขอให้เราเป็นเหมือนพวกลิ้น <c oughs> ให้เรามีทางยินดีมีทางพอใจที่จะทำบุญที่จะรักษาศีลที่จะปฏิบัติธรรมจะยากจะลำบากอย่างไรจะต้องสัตวจะต้องเสียสละอะไรก็อย่าไปเสียดายสัตได้มากน้อยเท่าไหร่เราจะเจริญมากขึ้นไปทางไห น, น <c oughs> ศา ส, สนาที่ท่สทอกศา ส, ส, สนาศาาสนาก็สอนให้คนดีไม่เบียดกันคือให้ทําบุญแล้วก็ไม่ให้ทําบาปแล้วก็จะทําให้เขาได้ไปเกิดบนสวรรค์ได้ไปอยู่กับพระเจ้าก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ข้ดเคลื่อนไม่ขัดกับทางหลักของพุทธศาสนาเพียงแต่เขาไม่รู้ว่ามันไม่ได้เป็นจุดจบตรงนั้นสวรรค์ก็เป็นอนิจจังเหมือนกัน คือถึงแม้จะไปอยู่บนสวรรค์เป็นเวลาหนึ่งปีแสนปีบุญมันก็หมดได้มันเสื่อมได้เมื่อบุญมันหมดบุญมันเสื่อมจิตดังนั้นก็จะต้องกลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์ น, น ะ, ะ เ, นเขาไม่รู้เรื่องการยินว่าการเกิด<ม>เขารู้เพียงแต่ว่าเมื่อหมดชาตินี้แล้วก็มีที่ไปสองจุดสวรรค์หรือนรกแล้วก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอด ถ้าได้ขึ้นสวรรค์ก็ดีสวรรค์ไปตลอดถ้าตกนรกก็จะอยู่ในนรกไปตลอดแต่ทางพุทธศาสนานี้ไม่ใช่ตกนรกก็ไม่ตกนรกไปตลอดก็มีมีวันหมดพ้นโทษได้เหมือนกันเหมือนปิดคุกเมื่อหมดหมดหมดเ ม, มืหมดกรรมแล้วก็กลับมาเกิดเป็นเปลียบ้างเช่นมีอมรรคที่รับใช้พระพุทธเจ้าในชาติพระเจ้าแผ่นดินนี้อีกรูปหนึ่งในชาติก่อนพระ พระเจ้าแผ่นดินเคยใช้อำนาจนี้ให้ไปทำบุญให้เงินไปแล้วให้เจ้าไปซื้อของถวายพระเขากะกักไว้สักสิบเปอร์เซ็นตพอตายไปก็ไปไปตกนรกพอพ้นจากนรกออกมาก็มาเกิดเป็นเปรตแล้วก็เปรตก็เป็นแบบพวกที่ยังต้องเพิ่มบุญของผู้อื่น ก็เลยมาหากษัตริย์มาหาในพระราชวังนี่อีพ อ, อีกหลายพบหลายชาติต่อมาแล้วนะสารกษัตริย์ตรงนั้นก็ได้กลับมาเกิดเป็นกษัตริย์นีกแล้วอามาตนี่เป็นเปรตก็มาส่งเสียงแากประหลาดในพระราชวังทําให้กษัตริย์นั้นนอนไม่หลับตอนเช้าก็กลับขึ้นถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นอะไรท่านก็สรงตรัสว่าเป็นอามาต ที่เคยไปทํำบาปม า, มาแล้วมาขอส่วนบุญจากท่านขอให้ท่านทําบุญขึ้นให้กับเขาไปเขาก็เลยพระเจ้าของบุญก็เลยจัด ก, การหาท่าหาของขามามทําบุญถวายพระแล้วก็ขวดน้าคิดไปให้กับอาหมาเพื่อหมาเขาจะได้เดินทางไปต่อไปเลยไปเกิด ในพภพคูมิที่สูงขึ้นไปถ้าเ้าหนีบุญมีอะไรที่ยังไม่ได้ส่งผลเขาก็จะได้ไเกิดเพราะควกเราทํทบาบุญทําบาปมาสลับกันไปสลับกันมาอยู่ตลอดเวลาดังนั้นโอกาสที่เราจะได้กรรมมาเกิดจะโ้นนี้มีอยู่เสมอเรียนแต่จะบ่อยหรือไม่บ่อยจะมากหรือน้อยเท่านั้นแต่จะต้องได้กรัมมาเกิดถ้ามามาเกิดแล้วก็อยู่ที่เราว่าเราจะมาทาบุญมาทำบาป เพราะมนุษย์เป็นเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่สามารถเติได้ทั้งบาตรเตได้ทั้งบินแต่ชาติอื่นๆพบอื่นๆนั้นเป็นที่ฉวยดินสวยกรรมถ้าไปเป็นเทพก็จะไม่ได้ทำบุญเพราะมีแต่ความสุขเหมือนพวกใครโซโ อ, รอย่างนี้เขาไม่ค่อยจะทำบุญเท่าไหร่ <c oughs> น้อยเดือตื่นสายดีๆปฏิบัติธรรมไม่ได้ลำบากลำบนไปวัดไม่ได้เรากระตุกเทพ มานั่นเลยพวกนึงพวกนั้นพอดีเขาเคยได้บำเพ็ญบุญก็ม่นิสัยอยู่ก็มีนิสัยเดิมอยู่ชอบทําบุญทําท่าชอบฟังเทศฟังธรรมอยู่ด้วยมีบางพวกใครดูบางคนเขาก็มีใช่ไหมใครดูบางคนที่ชอบปฏิบัติธรรมก็มีชอบฟังเทศฟังธรรมก็มีสังเกตดูลองเลือกแยกดูพวกไครโซนนี้ก็มีพวกที่ไม่สนใจธรรมะเลยไม่สนใจวัดกับว่าเลยมีบางพวกเพื่อนที่สนใจก็มี พวกเทวดาก็แบบเดียวกันพวกที่สนใจเขาก็จะไปฟั่งเทศย์กับพระอรหันต์บ้างกับพระพุทธเจ้าวาที่ที่นิเียข่าวนั่งไปจากที่อยู่แล้วเขบอกว่าเขาอยากเปียนศาสนาจากพุทเป็นีตเลยบอกเขาว่าอกเนี่ยทำดีที่ศาาแล้วก็แต่พวกหัเาะท่มันดูแฉลอะไรอ ก็เหมือนกับมีแบงค์ร้อยแล้วไปขอแลกเป็นแบงค์งห้าห้าสิไส บ, บ <c oughs> ไม่ชอบแบงค์ร้อยไม่ชอบตัวเลขชอบตัวเลขห้าสิบ <c oughs> อารมงคนก็เปลี่ยนัาหาเพราะเป็นแฟชั่นกันแล้ว บางทีถ้าเราไปอยู่ใน ด, ดินแดนของที่ก็มีแต่ศาสนานั้นแล้วเราเป็นศาสนาที่เล็กกว่าแล้วเราถ้าเราไม่นับถือศาสนาของเขาเราจะลําบากเขาก็อาจจะเปลี่ยนไปบางทีเขากําลังทุกแล้วพอดีไปเจอพวกศาสนาอื่นแล้วเขาออก็เอาใจมากก็เลยทํำลายว่าเลยรออับเอ ก็เช่นศาสนาอื่นที่ก็ชอบไปสงเคราะห์พวกเราป่าชาวเขาคนที่เดือดร้อนชุกข์ทรางยสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนอะไรก็ทําเป็นการเป็นเป็นการซื้อใจคนแต่ไม่ได้ซื้อด้วยเหตุด้วยผลด้วยปัญญาด้วยธรรมะพวกนี้เขาก็เปลี่ยนใจได้ถ้าเกิดใครมาให้มากกว่าเขาก็อาจจะเปลี่ยนใจต่อไปก็ได้ลูกคยได้เจที่ไหนบ้่ จะเป็นเหตุว่าเขาจะพาไปยึยงสลอดแต่เม่อนักถศาสนาเขก็พาเด็กๆไปลืมมือกันก็มันกจริงศาสนาก็ยังดีนะคือศาสนาก็ยังสอนให้คนรักกันให้มีความเมตตกับกันไม่ให้เบียดเบียนกันดีกว่าไปเชื่อถือเชื่ออะไรแต่ถ้าจะให้ดีถ้าถ้าเข้าถึงศาสนาพูดได้ก็จะได้รับประโยชน์มากที่สุด พูดถึงเรื bueno ่องความมีกำลังคิดเรื่องเทศจะสุขามแล้วเหรอเขียนคำนึาลูกไม่เข้าใจกาลังเป็นเหยื่อไกลังเป็นเหยื่อารรู้ที่ดู้วนะคะสมมติเราทำบุตไปเสนีนี่ก็ทำไปถึงตรงนล้วต้องบุรุษไปเสนี้ขนาดอะไรถ้าระยะเราจะถึงเยอะนะ ทำบุญทำทานไปกับพระสงฆ์ธรรมดากับลวงตาอย่างนี้กับท่านอาจารย์นี่ก็เริ่มเหมือนท่านอาจารย์เป็นบุญหลุดไปชนีนะต้องเป็นบุญหลุดะปชนีที่มีกำลังมาค่ะทานอันผลให้บุญจิจผลเวลาอุคิศเนี่ยเรื่องนี้อธรรมะไม่ได้ศึกษาไม่ไไมม่่รู้ใจว่าการคิดนี้ การจะมีความแตกลางกันหรือไม่กับบุคคลที่เราทำบุญด้วยอันนี้ไม่ไม่ได้ศึกษาไม่ไม่ได้ยินแต่เคยเห็นคนก็พูดว่าถ้าจะให้ได้ไน้อันนี้สงจริงๆคนที่รับจะต้องเป็นคนที่มีศีลบริสุทธ แต่อันนี้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมรู้จริงๆว่านี่จะตับเพราะหลายครั้งที่ทำกับหลวงตาแล้วคนตายมักจะมาเข้าฝ <c oughs> ันญา่ที่ทำว่าได้รับสมไรอ่ <dom> <c oughs> <t une> ถ้าดีถ้าถ้าอย่างถ้าเป็นอย่างนั้นก็เวลาจะทาบุญพิธก็ให้พยายามหาทาที่เรามีความมั่นใจว่าท่านเป็นผู้มีถิ่นโดยสุดท้าทังเพื่อเราจะได้มั่นใจว่าไปถึง ถ้าเป็นเบอร์ประสานีที่ยังไม่มีสินไม้สุดอาจจะกักไว้บ้างก็ <c oughs> ได้ <c oughs> ยังมาทำที่นี้ได้มันใหญ่ที่นี้บอกว่าเป็นหลวงาเป็นอธิบดีของไม่นด้เฮเครืองทบดีก็ต้องอาศัยพวกไปบุรุษที่นีอยู่ดี แต่นี้มันก็ไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญมากเพราะบุญที่อุทิศนี้ก็น้อยมากเท่าที่ทราบไม่ได้ไม่บุญที่โยงทำร้อยหนึ่งนี่อุทิศได้เพียงเที่ยวเดียวแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้ไปทางร้อย ไปแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ไที่เหนือ เ, เป็นสองคนทำเออ่ามนตื้ก่าหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ต้องหวังแล้วแค่เป็นกค่เป็นเหมือนให้เป็นค่าลดเป็นค่าหารหนึ่งหนึ่งเพื่อเขาจะได้เดิน ท, <c oughs> ทางเดินทางไปพบหน้าต่อไป <c oughs> เป็นบุญเชื่อมต่อ 1> 1เพื่อนเชื่อมต่อระหว่างพบ <c oughs> ก็มีประโยชน์ทําให้เขาสามารถได้เกิด <c oughs> ต้องทําเกิด ก็อยู่ที่คนที่เข้ามาขอเขาทาบ่อยขนาดไหนถ้าต้องม่ขอมันก็ไม่ไปถึงขอหรือบางทีเขาก็รับไม่ได้บางทีเขาไม่ได้อยู่ฐานะที่จะรับได้ก็เขาก็ไม่รับถ้ายังอยู่ในนรกอยู่ก็รับไม่ได้ถ้าเป็นเดราจฉานเขาก็หากินของเขาเองได้เขาได้เกิดเป็นได้ไปถึงภบนั้นแล้วเป็นเพียงแต่เป็นเปรตเนั้นที่ยังต้องอาศัยบุญเพื่อจะส่งให้เขาไปเกิดพบที่ดีขึน้นเช็นไปเป็นมนุษย์ ก็ต้องอาศัยบุญที่อุทิศไปถ้าเขามาเข้าฝันเราก็แสดงว่าเขาต้องการเราทําไปครั้งเดียวเขาก็ได้แล้วถึงว่าสาเร็จไปอยู่ถ้าไม่สําเร็จก็จะกลับมาเข้าฝันต่อบอกยังไม่พอถ้าอย่างงั้นในราชการตัวนี้กะได้ทำมะแล้วเขายเงินจากกันเนี่ยเขาโผล่มาฟังคำสอ ทีอกเ็ดวันแรต้องทำทเยอะๆางปเชื่อากกว่าเป็นาเชื่อบางคนนี่เขามีบุญพอล้วเขาตายทบชบไปเกิดได้เลยไปสวรรค์เลยบางทีเ็ไปอยู่ในคันของคนอื่นแล้วก็ได้หรือไปใช้กรรมไปตกนรกไปเกิดไปอยู่ในคันของสัตว์แล้วก็ได้นอกจากบางจิตดวบางดวงเขายังมีความผูกพันอยู่ เช่นพระที่ท่านปิติวรนของท่าน mm hmm. พระพุทยเ้าบอกว่าอย่าไปแตะจีวรถืนนี่นะยาของก็ยังไม่ปล่อย้าของก็ยังมาเกิดเป็นตัวเลนเกาะอยู่ที่ผ้าจีวร อ, อยู่ mm hmm. พอพอตัวเลนนั้นตายแล้วท่านมันบอกว่าเขาไปแล้วยินดีนนขายาวไปใช้ยาไปใช้ ไ, ไ, ได้ mm hmm. อันนี้มันอยู่ที่ความผูกพันของจิตอุปทานอยู่การยึดรักจีวรมาก mm hmm. อย่างพี่น้องสองคนที่ เหลวงตามที่หลวงปู่มั่นท่านเห็นในสมาธิที่เขาวนเวียนอยู่ที่เจดีย์ที่ท่านไปนั่งสมาธิท่านก็ถามว่าเขามาทำอะไรเขาบอกตามที่เขาเป็ชีวิตอยู่เขาร่วมโดยจ่ายสร้างเจดีย์แต่เขาตายก่อนที่เจดีย์นั้นจะสร้างเสร็จเรายังมีความผูกพันเขาห่วงอ่าห่วงแล้วก็วนเวียนท่านก็สอนเขาว่าการทําบุญนี่ทำเพื่อปล่อยวางไม่มทำเพื่อยึดติดเราทําได้เท่าไหร่เราก็ทําไป มันจะเสร็จและไม่เสร็จมันก็เป็นเรื่องของเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เรื่องของเราถ้ามาเช่นนั้นเราก็จะไม่ได้ไปสวยบุญที่เราได้ทำแล้วเราก็จะไม่ได้ไปเกิดเพราะความทุกขทันเพราะความห่วงใยทําให้เราต้องเป็นสามเวสีวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปพอท่านแสดงธรรมเขาเข้าใจเขาก็อนุมิโมตนแล้วเขาก็ก็ปล่อยวางความห่วงความกังวลนั้นถือว่าหมดหน้าที่ของเขาแล้ว เขาอยู่อย่างนั้นเขามาห่วงมันก็ไม่ได้ไปทำอะไรให้มันดีขึ้นเขาก็ทำอะไรไม่ได้อยู่ดีนี่คือเขาได้ปัญญาได้ดึงอีขั้นเปิดปัญญาทำให้เขาได้ปล่อยวางแล้วก็ได้ไปไปสวยพลที่เขาควรจะได้นักวต่อไปอืมจุดนี้คืวสำคัญ เป็นเมื่อสัมพันธ์ตัวกิเลสนนสําคันธ์ตอนนี้ธรรมะถึงสํสงาคัญกว่าเน <c oughs> ี่ยเพราะธรรมะเป็นตัวปราบ ก, กิเลสได้ธรรมะเป็นตัวที่มาปลดเรื่องผู้มาถ่ายบาปให้กับจิตศ <c oughs> าสนาอ่อนเข้าสอนว่าให้เชื่อบุคคลนั่น บ, บุคคลนี้จะสามารถถ่ายบาปให้ได้แต่ธรรม ศาสนาผู้สอนว่ามีธรรมะท่นั้นที่จะถ่ายบาปให้กับจิตได้มีปวดเครื่องจิตให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้หลุดพ้นจากนรกจิตเสียหนา้าได้ซึ่งพอบรรลุปเป็นพระเสด็จม า, าแล้วถึงแม้จะเคยทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรก็จะไม่ไปตนกนรกไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปก็เพราะธรรมะนี้เองเพราะปัญญามีดวงตาเห็นธรรมปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดกับอะไร ไม่ได้รับหรอกเพราะว่าของก็ไม่ได้ให้ใครเขาไปวางไว้แล้วเดี๋ยวเ็เอามากินเองมันไม่ได้เป็นทานมันไม่ได้เป็นทานก็เผากระดาษอ่ะก็เป็นกระดาษเท่านั้นเองไม่มีอะไไม่มีอะไร ความเชื่อเราทำกันมาด้วยไม่มีเหตุไม่มีผลงั้นจะรวทั้งจุดจีนศาสตจีนอะไรทั้งหมดเออมันดีตรงที่ว่าการไหว้บิดบานบารมีหลวงเป็นการสอนแสดงความกตัญญูแต่ความจริควรจะไหว้ตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่มากควรจะดูแลท่านตอนที่ท่านมีชีวิตอยู่ควนมจริตอนที่ท่านตายไปแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปไหว้ไปแสดงความกตัญญูนะเพราะมันแสดงไม่ได้นะ ผู้พูดรับมันไม่มีนอกจากถ้าท่านยังต้องอาศัยบุญอุทิศเราก็ทำบุญอุทิศไปได้แต่ถ้าเราอยากจะแสดงความแสดงอยูอยากจะแสดงสัมมาคารวะก็กับพ่อกับแม่เราทุกวันจนการที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เลี้ยงดูท่านทุกวันนั่นแหละเป็นการการแสดงความแสดงอยูกันไปคือ แ, แล้วได้บุญด้วย นี่เป็นการแสดงละครเท่านั้นเองไปซื้อข้าซื้อของแล้วซื้อสิ่งที่ตัวเองชอบกินด้วยไม่ได้ <c oughs> ถามคนอื่นเลย <c oughs> คนไหนชอบกินเหล้าก็เอาซื้อเหล้ายี่ห้อัอย่างดีทา <c oughs> งนังงง้นเองแต่มันก็ไม่ได้เป็นบุญเป็นกุศลอะไร มาเจอกันนี้ไม่ดีก็มาทะเลาะกันเห็น <c oughs> มีว่ามีความเชื่อ ว, ว่าถ้าลูกหลานมาทำเชิงแบงเนี่ยใครมาถึงก่อนเนี่ยคนนั้นจะได้บุญมากกว่า <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่เคยมีการแข่งแย่งก็ใครมาตีสามเขาจะมาตีสองแบบเัาแย่งหขนาดนั้มีมีมีของคนเชื่อแบบนั้น ศาสนาพุทธของเราดีที่สุดเป็นเหตุเป็นผลและสามารถพิสูจน์เห็นได้ในชาตินี้ไม่ต้องรอตายไปก่อนแ ล, ล้วก็จะเห็นไปฏิบัติไปแล้วจะเห็นเองนลกในสวรรค์เห็นจิตเห็นเห็นการยืนว่าตายเกิดมันอยู่ที่ตัวจิตตัวเดียวทุก ว, วันนี้เรามองไม่เห็นตัวจิตเห็นแต่ตัวกายก็เลย ไ, ไม่ไม่รู้ตัวที่เยินว่ายตายเกิดตัวที่ตกลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่ เราตนรงนรกขึ้นสวรรค์อยู่เรื่อย ๆ, ๆสลับกันไปขณะที่เราทุกข์เจ้าสศกเสีย ใ, ใจวันนั้นเราก็ตกนรกวุ่นวายใจก็ตกตนรกขณะที่สุขใจสบายใจวันนั้นก็ขึ้นสวรรค์ <c oughs> อันนี้นั่งหัวเราะกันนะนี่เราอยู่บนสวรรค์กัน <c oughs> <c oughs> อันนี้สมคการทำๆเพื่อทําให้จิตใจมีความผ่องแทำวห้จิตใจมีความสงบทําให้เกิดปัญญาความฉลาด เรื่องาให้ขอทานได้บุญหมดค่ะได <c oughs> ้ได้ความสุขเหมือนกันความได้าจิตใจได้เหมือนกันอยูอ่อยู่ที่อยู่ที่ใจว่าเราให้ด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์เราก็จะได้มากถ้าไม่บริสุทธิ์ก็ได้น้อยถ้าให้ขอทานแล้วยังอยากจะให้เขายกมือไหว้เรานี้ <c oughs> แล้วเ้ามา <c oughs> ยกมือไหว้เราก็จะโมโห <c oughs> เราก็จะโกรธเขาขา <c oughs> ไมอดีใช่ ใหสุนักก็ยังได้ให้ให้ตูให้ปลาใหใครก็ได้ความสุขทางหน้าจิตใจนี้ได้เหมือนกันแต่ประโยชน์ที่ผู้รักจะไปทํานั้นต่างกันเท่านี้ให้ขอทานเขาคงจะไปทําประโยชน์อะไรได้ไม่มากถ้าไปให้ตํำรวจหรือให้มพยให้หมอมใหโรงพยาบาล<ม>เขาก็จะไปช่วยเหลือคนเจบคนไข้ได้ด้วยจะทำประโยชน์ได้มากกว่า ให้พระท่านก็มีกําลังไปเผยแผ่ธรรมะบา mm hmm. งคนมีดวงตาเห็นธรรมให้ดุดพ้นจากพังทึกง mm hmm. ั้นมันมีบุญเวลาให้นี่มันได้สองส่วนส่วนที่เราได้ในใจเรามันก็จะเท่ากันจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ทวาบริสุทธิ์ขงใจถ้าทำแล้วหวังให้ท่านยิ้มกับเราแล้วท่านไม่ยิ้ม <c oughs> มันก็ไม่สุขแล้วงั้นะมันก็ไม่สุขแล้ว <c oughs> เวลาทำเราอย่าไปหวังอะไรจอบแทนจากภูรักท่านเพงสอนบอท่านเพงบอกปิดทองหลังคะเราจะได้ความสุขเต็มที่เลยเพราะเราจะไม่ได้หวังอะไรจากใครนั่นเเราทำด้วยจิตเจตนาบริสุทธิ์เรามีเงินนี้เราเราก็อยากจะให้มันเกิดประโยชน์เกิดเอาไป ให้พูดที่จะไปทนประโยชน์ให้กับเราต่าไปเราจะรู้ไม่รู้ก็ได้บางคนบริจาคโดยไม่ไม่ไม่ไม่ประสงค์ออกงานทำไปทำไหเธอเธอรวมลงแก้วเดียวหมดลสบวยใจได้หลายขวดใรลงแก้วเดียว เอาไของก่อนนะยตที่วโรสไม่ได้มอ้ากค่ะใจะ ลเลดไม่เหลียงเขาฝากมาพร้อมกับเงินช้างด้นะคะ <c oughs> เหลียงที่ตจ้ของเครื่องเสียงนะคะแล้กกวก็คุณชายนี่ค่สบายเลยแก่ตามมาอืม จาต้องการต้ซื้อจากต้องสืออาิทได้อันนี้ซิปอ่อนอย่มันแล้วก็จะเป็นเล่มหกมีแล้วต้อตรงต้วงต้องต้องต้องงออ้อ้องงอง้้ออ้ง มีแล้วแก็ไม่ต้องมีไม่มีแล้วมันสาวขึ้นไม่จช่เลใช ตื่นเต้นแทนที่ ก็ดีขึ้นแต่ไม่หายสมบูร้งเจ็ก็ต้องพิอยู่ก็มีบ้างเวลาทุกอยางกยังกมเจ็บบ้างแต่ตอทมานนะจะทนไม่ได้เลยมันก็ขัดขัดย่อมย่อต้องคอยดูคอยเม่อไหร่ก็ไม่เจลาสก็พอพูดถ่ายๆไม่มีไเส มันถ้าจะเอาะไรเอาได้ทั้งนั้นแล้วไม่เอาไม่ไมต้องแหละขบวนการไ่บอกว่าถ้าต้อ ง, งการอะไรอย่างเงีเราไม่ก็จะบอกการไม่มีอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่อมนีอะไรแล้วมันเป็นความชุกข้าั้งนั้น ใช้อะไรดีมั้งถ้าเราไม่จำเป็นแล้วอย่าไปใช้มันเราอยากมันจำเป็นจริงๆนมันมันช่วยแก้ปัญหาได้แต่ถ้ามันไม่ได้ช่วยอะไรมากก็ไม่จำเป็นเนี่ราเปี่ยนตางอย่าไหวใจมาด้วยแล้วก็ขอบคุณมากด้ว่ให้เป็นอย่างนี้ คนนี้ฮะต้องขายรถมาตามกันต้องมาเจอเราลูกนี้ทาไม่ได้เงี้ยถ้าเชื่อะไยจะไปหีกได้รูกเขาขายดี ไม่ใช่ นี่จำเป็นแป้นแป้นถามว่าเป็นคำถามที่พูที่ว่าเดียนะฮะแป้นแป้นถามว่าขวายปัจใจท่านอาจารย์จำเป็นต้องเขียนใบปรนานามัย คืออาปัจจัยใส่ซองไปแล้วไม่ต้องเขียนใยปริญญาหรืออะไรเลยเนี่ยได้ไหมได้ถ้าคป็ถวายมานี้ก็ไม่รู้เป็นของใครผไม่รู้จัดชื่อใครสักคน น, นะก็แต่ว่าเขาเป็นเป็นธรรมเนียมเวลาถวายถวาปัจจัยก็ถวายตัวปัใจจัยให้ไม่ได้เขาเลยให้ทำเป็นเช็คแทนนั่นเอ แล้วส่วนตัวเงินก็ให้ธนาคารคือวา ย, ยาวัตตกรดเขาดูแลพระจะได้รู้ว่าเออคนนี้ญาติโยมถวายเท่าไหร่คพราะบางทีประสานไว้วายาวัตตกรดเราพระไม่รู้ก็ได้ถวังให้เท่าไหรอืพื่อจะเฉงยไว้เพื่อให้รู้ว่าญาติโยมถวายเท่าไหร่ค ก็พาจะได้ไปเช็คเงินกับคนที่เกี่ยกบงน้นตรงบัญชีต้องลงตัวนะปกติมักจะไม่เท่ามักมักจะไม่เท่าแต่ก็ไม่เว็นไโดยหลักแล้วก็ถือตัวเงินเป็นหลักถ้าหลักไม่เท่านั้น จากใบนี้ท่านอาจารย์ไปแผลอะไอเ่าใ่ก็ไปเผาไงชัดเจนจนชัดเจนใจดชไหมเดี๋ยวมันก็ลบกุิเอ่อไปเผาใช่ไมเก็บไว้ตลอดป่านนี้ก็เป็นตั้งเล้เนยนเนเท่าไหร่ คือบาทีพระพุทธเจ้าไม่สวดให้ข้ารับในรับทองเพราะท่านเห็นว่ามันจะเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะค้าส่วนใหญ่ยังไม่บรรลุยังไม่หลุดคน้นยังมีความยึดติดในเรื่องเงินเรื่องทองอยู่ยถ้ามีเงินมีทองเดี๋ยวก็จะใช้เงินนี้ไปซื้อข้าวซื้อของซื้ออะไรต่างๆที่จะมาทำลายความเพียร ทันเลยไม่ไม่อนุญาตให้พระมีเงินมีทางแต่ต่อมามีมีคนบวชกันมากขึ้นแล้วคนก็มีความมีความละเอียดหยากต่างกันคนบางคนที่เคยอยู่ดีกินดีแล้วแต่มีศรัทธายอยากจะบวชแต่ก็อาจจะมีความจำเป็นจะต้องซื้ อ, อยาอซื้ออะไรบางอย่างทำเพื่อจะให้เขาได้อยู่อย่างสบายอย่างพอไปได้ ก็เลยมีคนขออนุญาตว่าถ้าไม่ให้สักพระขอฝากไว้กับคนอื่นได้ไหมแต่ถ้าเวลาพระรูปนั้นต้องการอะไรเพื่อให้ไปบอกกับคนที่เราฝากเงินไว้พระเจ้าก็บอกว่าแต่พระต้องไม่ไปถือว่าเป็นเงินของพระเองถ้าไปขอให้เขาซื้ออะไรให้แล้วเขาไม่ซื้อให้ก็ให้ไปขอได้สามครั้ง ถ้าเขายังไม่ซื้ออะไรให้ก็ไปถือโทษโกดเครืองเขาไม่ได้เพราะไม่ใช่เงินของพระพระมีทางเดียวคือไปบอกเจ้าของเงินว่าเงินที่ฝากไว้นั้นมันไม่สำเร็จประโยชน์แล้วเขาจะได้ไม่ถือหลอกลวงเอาไปฝากเพราะนั้นเราหยุดนั่นเองอ<ะ>แต่โดยหลักก็คือไม่ให้ยึดถือว่าเป็นเงินของตนแต่เดี๋ยวนี้มันที่ สับพระบ้างก็ยังเหรับพระรับสมรัก็มือเลยเพราะว่าถ้าสมัยนี้ท่านสร้างว่ามันมีความจําเป็นสะเพราะจะไปไหนมาไหนขึ้นรถขึ้นราเมื่อสมัยก่อนยังขึ้นรถขี่ได้แต่สมัยนี้เขาเก็บตังค์นักพระก็ต้องไปเรียนหนังสือเขาเดินทางในเมืองเขาอยู่วัดหนึ่ง <c oughs> ก็ต้องไปเรียนอีกสำนักหนึ่งก็ต้องมีการเดินทาง ก็เลยอ้างกฎที่พระพุทธเจ้าทรงบอกพระอานุ์ก่อนที่จะเสด็จรินิพานว่าถ้าสงเห็นว่ากฎข้อระเบียบข้อบงังคับบางข้อถ้าสงเห็นว่ามันไม่ส ำ, สำคัญหรือว่า ม, มันไม่จำเป็นหรือมันทำให้การดำเนินชีวิตไปไม่สะดวกก็ให้ยกเลิกได้ แต่พระอานนุ์ก็ไม่ได้ส่งไม่ได้ถามว่าข้อไหนพอพอพระอรหันต์ตอนที่ท่านมาสังขยาณาท่านถามพระอานุนพระอานุนก็ตอบไม่ได้ว่าข้อไหนที่พระพุทธเจ้าทรงทรงกลัดถึงพระ อ, อนุนก็เลยถูกตอบโทษสอบอบับเพราะว่าไม่ฉลาดที่ไม่ถามรายละเอียด <c oughs> <c oughs> พระ อ, อรหันต์ที่สังขยาณาทั้งนั้นก็เลยมีข้อสรุปว่า ก็ไม่ต้องยกเลิกกันแล้วกัน mm hmm. ทุกข้อที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้ในสมัยที่ท่านมีพระชนชีพอยู่ mm hmm. ก็สามารถปฏิบัติกันได้เราก็ควรที่จะปฏิบัติกันต่อไป mm hmm. แต่พระสมัยนี้บางรูป mm hmm. บ, บางนิกายรู้สึกแพ้ใจเขาก็ mm hmm. อ้างว่าถ้ามีความจําเป็นก็ยกเลิกได้ mm hmm. เขาก็ว่าการ mm hmm. จับเงินจับทอง mm hmm. เป็นสิ่งที่จําเป็นในสมัยปัจจุบัน ก็เลยมีเป็นการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันก็เลยปรากฏอนิกายธรรมยุทธิขึ้นมาเนื่องจากรัชกาลที่สี่ในสมัยที่ทรงเป็นท้าที่ยังไม่ตองที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นคลองราชแล้วก็ได้บวชได้ศึกษาแต้ก่อนจะบวชก็ได้ศึกษาพระไตรปิฎกก็รู้ว่าศีลของพระมีอะไรบ้างแล้วก็เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระในสมัยนั้น ว่าเสื่อมโทรมก็เลยไม่มีศรัทธาที่อยากจะบวชกับพระพวกนั้นก็เลยไปสว่างหาพระที่เขามีความเคพ่งเขดาสอบพระธรรมยุนายนเขาก็เจอพระพวกพวกพระมรก็เลยไปบวชกับพวกมรพระมรก็เลยกลายเป็นกลุ่มขึ้นมาพอมีคนอื่นเห็นการปฏิบัติของกลุ่มพระมรนี้มีความเพ่งเข้าสอบทำยุนายนไม่จากเงินไม่จับทองเออ คือคอยปฏิบัติตามทุกอย่างตามที่ในสมาธิการได้ปฏิบัติกันมีก็มีเกิดคนกลุ่มหนึ่งที่มีศรัทธาเพื่อออกบวชก็จะบวชกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็เลยเจริญเติบโตใหญ่ขึ้นมาจนกลายเป็นนิกายธรรมยุทขึ้นมาแต่ก็ถ้าเปรียบเทียบ ก, กับนิกายใหญ่คือที่เราเรียกว่ามหานิกายนี้ก็แปลว่านิกายใหญ่คือความจริงมหานิกายเมื่อก่อนนี้ไม่มีชื่อมหานิกายเพราะในประเทศไทยมี มีนิกายเดียวทีพอมีนิกายเล็กคือมีธรรมยุตปรากฏขึ้นมาก็เลยเวลาจะพูดถึงนิกายใหญ่ก็เรียกว่ามาหานิก า, กายก็เลยมีการแตกต่างกันขึ้นมาในในด้านการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นถ้าใครบวชใครก็มีทางเลือกว่าอยากจะปฏิบัติแบบไหนก็าอยากจะปฏิบัติเคร่งหน่อย ทางกดท่ินในก็จะเลือกทางธรรมายุธแล้วถ้าอยากจะบวชทำบวชรรมยุทธแล้วยังอยากจะอยากเข้าสู่การปฏิบัติก็ต้องไปสายพระปฏิบัติด้วยเพราะถึงแนมะ้เรียนธรรมยุทธแต่ก็อยู่ในเมืองเขาก็จะไม่ค่อยปฏิบัติทางภาวนาเขาจ ะ, ะเน้นไปทางด้านการศึกษาพระไตรปิฎกศึกษาพระบาลีกัน น, นการปฏิบัติแม้จะอยู่ในนิกายเดียวกันมันก็จะมีความละเอียดหยาบต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาของผู้บวชที่ศึกษาจะรู้เองว่าตอนเองนั้นเหมาะสมกับแบบไหนเหมือนกับซื้อรองเท้า <c oughs> เราต้องลองใส่รองเท้าก่อนเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่คู่ไหนก็ได้มันไม่ได้ถ้าหลัวมาเกินไปมันก็ใส่แล้วมันก็เดินไม่สะดวก ถ้าท er ับเกินไปใส่ไปแล้วมันก็เจ็บต้องเอาคู่ที่เหมาะสมกับเท้าของเราการศึกษาการปฏิบัติการบวชก็เช่นเดียวกันแต่ละคนก็เลือกบวชกันไม่เหมือนกันบางคนก็เลือกบวชแบบนี้บางคนก็เลือกบวชแบบนี้ขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาบุญบารมีที่ตนเองได้สะสมมา คนที่ใส่บาตและเอามีใส่มาเป็นบาตนะคะแล้วจะบาททั้งที่ใส่ก็ทำให้สงบาตได้นะคะคือคนคนใส่ถ้าไม่รู้ <c oughs> มันก็ไม่บาปอะไรเพราะเขาก็<ม>เป็นการทำบุญเพีย<ม>งแต่ว่าเขาอาจจะส่งเสริมให้ท<ม>่าปฏิบัติไม่ถูกกดเท่านั้นเอง<ม>ก็จะทำให้มีท่พาพแบบนี้มากขึ้น ก็ทำให้เกิดความเสื่อมมากขึ้นไปไม่ได้ช่วยจันหลงว่าพุทธศาสนาใช่ไหมครัไม่ได้ส่งเสริมแต่ช่วยกดช่วยทำให้เสื่อมเร็วขึ้นราชการกาที่มีสองวิธการนี้คือว่าเป็นสงสราแยกเลยคะไม่จากแยกอ่ะมันเป็นทางเลือกของแต่ละคนเท่านั้นเองชู้มคุณดาเห็นว่าท่าไม่มีสองวิธยกา ี อ, อ, อ๋อมันมีต้ามาหน้าจัดส ม, มัยพระพุทธเจามิพานมาแลมีนิกายที่แยกแยๆออกไปกันเรีย่ยมีแต่ที่อยู่มาตลอดก็คือนิกายที่อันไหนที่เข้มขัดต่อพระธรรมยินัยมากที่สุดนิกายนั้นจะอยู่นานที่สุดเพราะฉะนั้นมันเ <c oughs> มือม่อเมื่อนิกายเดิมมันเสื่อมไป ก็ถ้าเกิดมีคนที่เขาเห็นว่ามันไม่มันไม่ใช่ทางแล้วขเขาก็ไม่เดินทางตามทางนั้นเขากลับไปสู่ทางเดิมทางที่พระเจ้าทรงดำเนินอยู่แต่ไม่ว่าเป็นการแตกแยกก็ไม่เชิงเพราะไม่ได้ไปยุ่ยย่าให้แตกแยกกันเป็นเพียงแต่ย้อนกลับไปตามเดินตามพระบาทของพระพุทธเจ้าเท่ า, าทนั้นเองที่คนอื่นไม่ได้ดำเนินมาหรือเขากําลังเดินผิดทางเรารู้ว่าถ้าเดินไปทางนี้แล้วมันไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราไป เราก็ไม่ได้ปะโยกตนข่มท่านว่าเราวิเศษพิเศษกว่าเขาหรือเราไปทะเลาะบอกแรงกับเขาหรือไปมันจะแตกแยกมันต้องมีเรื่องทเลาะกันเองจ้องทำลายกันอันนั้นแหะมันถึงจะเกิดเกิดความแตะแยกอันนี้ไม่ได้มีการจ้องทำลายกันไม่มีความอะไรทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าขอขอปลยทางของฉันทนั้นเอง เมื่อทางของคุณมันไม่ได้เป็นไปตามพระธรรมคาสอนแล้วมันจะเป็นสุปฏิปันโนได้ยอย่างไรมันจะเป็นอุชุยายะสามีจิตได้อย่างไรแต่แต่เราต้องการจะไปทางสุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิตเราก็ต้องไปทางนี้เท่านั้นเองไม่ได้ท่านความแตกแยกกอะไรอย่าคนที่พูดนั้นเป็นคนที่อยากจะให้มันเกิดความแตกแยกก็เลยพยายามที่จะโหมมันขึ้นมาเน้นมันขึ้นมาท่านั้นเอง เพราะความโง้อเข่าเราปัญญาเขาเรียกว่าพูดสาเสียเนี่ยพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกมันได้พูดการเพื่อให้เกิดความสมานฉันนเพื่อความรักกันครับเกิดความเข้าใจกันว่าอยู่ด้วยกันได้เขาก็ไปทางนั้นของเขาแม้ว่อเขามีเหตุผลของเขาก็จะปฏิบัติอย่างนั้นก็ไม่ว่าเขาไปของคุณแต่เราคิดว่าคุณทางนี้ดีกว่าเราก็จะไปทางนี้เท่านั้นเอง แต่เรไม่ได้ไปทําลายคุณไม่ได้ไปเผาวัดของคุณนึ่อะไรทั้งสิ้นต่างคนต่างอยู่กันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นเป็นเป็นชาวพุทธด้วยกันอย่างพ้ากับฆราวาส ก, ก็คนละสั่งกันใช่ไหมก็เหมืนแต่งแยกกันโยมก็ยังมีสามีมีภรรยาได้แต่พระมีไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้แต่งแยกกันว่าเป็นคนละฝั่งกันก็เป็นฝ่ายเดียวกันเพียงแต่ การเดินทางของเรามันเข้มข้นต่างกันด้วยเองถ้าอยากจะไปเร็วก็ต้องเติมน้ำมัน915ถ้าไปช้าหน่อยก็เอา911เปรียบเทียบในครอบครัวคนหนึ่งปฏิบัติธรรมคนหนึ่งปฏิบัติธรรก็ยังอยู่ด้วยกันได้ใช่ไม่ได้แต่งแยกอะไรกันหรอกคนยังกินกว๋วยเตี๋ยวไอ้คนยึงกินข้าวผัด ก, ก็ไม่ได้แต่งแยกกันเป็นเป็นความเป็นความพอใจแลือเป็นความสามารถของแต่ละคนแต่ละคน ที่เคยไปที่แอยาสูบมาที่นี่เห็นไม่าชาี้เขาจะนั่งเอามามทินจบบาสกัน <c oughs> นีก็งงๆสามารถทําได้อะค่ะ ไ, ไม่ขาวค่ะนี่ถือบาสคื อ, อ, อการนินจับบาสพูดตามวจริงมันเป็นการขอทาน <c oughs> ใครจะทําก็ได้เพราะฉนั้นถ้าไม่ <c oughs> ถ้าไม่ได้ไปเ <c oughs> บียดไป <c oughs> ไปไปรบกวนคนที่เราไปขอเช่นเดินถือบาทไปแล้วใค ร, ใครมีศรัทธาอยากจะใส่แล้วให้ก็รับไว้ นี่คือหลักของการรัฐบาลมีท่านเห็นแต่ว่าในสมัยปัจจุบันนี้มันมีปัญหาเรื่องขอทานเยอะพวกขอทานที่เราไปทําให้สับสนกับคนขอทานที่มีสินกับคนขอทานที่ไม่มีสินที่ทางรัฐบาลก็อยากจะส่งเสริมคนขอทานที่มีสิพื่อออกกฎหมายคุ้มครองส่วนคนที่ขอทานไม่มีสินก็ถือ ว, ว่าผิดกฎหมายก็จะถูกจับ ไปเท่านั้นเองทีนี้แม่ชีนี้ไม่ทราบว่าอยู่ในถ่ายที่ผลหมายีคุ้มครองอยู่หรือเปล่าแต่เรื่องของการระพื้มนั้นไม่ผิดไม่เสียหายอะไรสมมติถ้าถ้าโยมเกิดตกพื้ได้ยากยมถือกระลาใบหนึ่งแดงไปก็ไม่มีใครก็ว่าอะไรใช่ไหมนี่คือแท่าไหร่บาท บ่ายก็เป็นก็เป็นภาชนะอันหนึ่งที่นล้เราไปยึดติดว่ามันเป็ น, นของพระจริงมันก็เป็นภ า, ภาชนะอันหนึ่ง บ, บ, บางบางบางสัญลักษณนก็อาจจะอยากจะส่งเสริมให้ให้ไม่ชีนี้ปฏิบัติฆ้าทุนศักดพระโดอยากจะให้เป็นเหมือนพิชฌานีแต่เนื่องจากว่าไม่สามารถบวชพิกฌานีได้ก็ให้ทําให้มันใกล้เคียงที่สุดคือไม่ได้ทาง ทางกายภาพคือไม่ได้ให้ผมผ้าเหลืองก็ให้ได้ทางด้านปฏิบัติถ้าได้ถ้าโยมอยากจะรักษาสิ่ของภิกษุณีก็ได้มีมากกว่าของพระอีกสามร้อยกว่าข้อด้วยกันก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกก็ไปศึกษาได้แล้วเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติรักษาสิ่ของภิกษุณีสามร้อยกว่าข้อโยมก็เป็นภิกษุณีทางปฏิบัตินะไม่จําเป็นจะต้องให้ทางโลกเข้ามารับรองใช่ไหม แต่คนนี้อยากจะบวนเพื่อให้ทางโลกเขารับรองแล้วก็ไปสร้างความยุ่งยากสร้างปัญหาให้กับผู้อืเพื่อเพื่อตัวเองจะให้คนอื่นรับรองว่าตนเองเป็นพิมีชชนีแต่ถ้าเราต้องการปฏิบัติเพื่อการหลนดพ้นไม่จําเป็นจะต้องให้ใครรับรองปฏิบัติเป็นคารวะอย่างนี้แต่เทถิ่นมากกับพระเข่งกว่าพระก็ได้แล้วบรรลุธรรมสูง ก, กว่าพระก็มีต้องเยอะแยะไป เพราะการบรรลุมันไม่ได้อยู่ที่พราเหลืองไม่ได้อยู่ที่การบวช ม, มันอยู่ที่มรรคแปดอยู่ที่สุปฏิมนุอุชุญาญาสมีจิตถ้าปฏิบัติดีสุปฏิมนุอุชุปฏิบัติตรงญายะปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นสามีจิตปฏิบัติด้วยความถูกต้องตามธรรมน้อยนายคนนั้ น, น, นก็นจะเป็นผู้ที่จะได้บรรลุเป็นพระอริยะเสังสาวขึ้นมาไม่ได้อยู่ที่การบวช กับนิกายไหนหรือนิกายนั้นนิกาย น, นี้ไม่ไม่สําคัญหรือจะได้อยู่อยู่ใกล้คิดกับกูบาจารย์ขนาดไหนก็ตามก็ไม่สําคัญถ้าอยู่ใกล้คิดแล้วไม่ได้ปฏิบัติท่านก็บอกว่าเธออยู่ห่างจากเราเป็นโยน์แต่ถ้าเธออยู่ห่างจากเราเป็นโยต์แต่เธอมุ่งมั่นอยู่ในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเธอนั้นก็อยู่ไม่ไกลจากตถาคตทั้งสรุปก็คืออยู่ที่การปฏิบัติ ท, ที่ทานสิสมาธิปัญญาที่การเจริญสติที่สอนนวมดนี้ก็สอนเพื่อการปฏิบัต ha ิอย่างเดียวพูดกันเท่าไรเท่าไรนี่ก็ต้อ่งให้ฟอนะ